ตัวจากนี้ไปเป็นการอารมณ์ทวัดชาวเรื่องชีวิตของผู้มีโพธิปักขิยธรรมโดยเพราะท่านโพธิรักเมื่อวันที่31อธันวาคม2542ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้นะบัดนี้ ะจะเจริญธรรมทุกๆคนาวันนี้เบอกรู้กันดีนะว่าเป็นวันที่31เป็นวันสุดท้ายของปีละกาละดำเนินไปอย่างนี้แหละตลอดกาลนานพรุ่งนี้ก็เป็นวันปีใหม่ซึ่งเป็นการกำหนด ลงไปในกาละกาละมันก็มีเส้นทางการเคลื่อนการเดินการหมุนเวียนการอะไรเป็นไปอยู่อย่างนี้แหละคนคือสัตว์ประเสริฐคือผู้รู้ฉลาดที่สุดสามารถกำหนดเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มากำหนดวันนั้นจะมีสุริยคราดวันนี้จะมีจันทคราดอะไรก็แล้วแต่ก็คนรู้ รู้จักในสิ่งที่มันเกิดอยู่ในธรรมชาติว่าอันนั้นเป็นอันนี้ น, นี้ทั้งๆ ท, ท, ท, ที่มันยากที่จะรู้สัตท์โลกที่เป็นเดรัจฉานเขาไม่รู้เรื่องหรอกเขาไม่เข้าใจหรอกว่าจะมีสุริยรคราสจันทคราสอะไระไรเขาไม่รู้เรื่องกาหนดไม่เป็นคนกาหนดจนกระทั่งรู้เข้าใจเส้นทางของ ธรรมชาติที่อยู่นอกโลกเป็นจักรวาลเป็นอะไรตัวใดต่างๆนานาก็สามารถอย่างรู้สามารถคำนวณรู้สามารถตามไปคำนวณรู้แม้กระทั่งวินาทีของพระจันทร์จะบังพระอาทิตย์อะไรก็แล้วแต่คำนวณเป็นวินาทีก็ยังคำนวณได้แม่นรู้ก่อนล่วงหน้าเลยว่าพระจันทร์จะเดินมาตรงนี้มาบังตรงนี้ มิดไม่มิดก็รู้อะไรอย่างนี้เป็นตน้นคนสามารถรู้ในเรื่องวัตถุได้เก่งมากในเรื่องข้างนอกตัวเนี่ยสามารถรู้ได้มากและคนก็สามารถรู้ข้างในตัวได้ด้วยโดยเฉพาะในศาสนาพุทธสามารถรู้ถึงพลังงานที่อยู่ในตัวคน พลังงานอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าพลังงานในระดับจิตวิญญาณพลังงานจิตวิญญาณนี่เป็นพลังงานที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าพลังงานทางวัตถุและมันก็ทํางานของมันจริงๆทํางานของมันเป็นความรู้สึกทํางานเป็นการกําหนดรู้จําไว้ เรียกว่าสัญญาความรู้สึกเกเรกวเวทนาสัญญาก็เป็นการกําหนดกําหนดรู้ลงไปรู้ต่างๆนาน า, นาสารพัดละเอียดละ อ, อะถึงขั้นสัญญาเวทิเวทยิตานิโรดนี่เป็นของพระพุทธเจ้าสัญญาเวทิเวทยิตานิโรดนี่ทางโลกทางฤาษีเขากําหนดลงไปถึงความรู้สึกสัญญาใน กำหนดลงไปในความรู้สึกของตัวเอง <c oughs> รู้ได้ถึงขั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญากำหนดรู้ถึงขั้นเนวสัญญานายตนะสัญญากำหนดรู้ถึงขั้นนั้นซึ่งมันจะไม่รู้แล้วมันจะไม่รู้ตัวแล้วแต่มันก็กำหนดไปรู้จนกระทั่ง เนวสัญญาเ น, นวสัญญานาสัญญาแปลว่ามันรู้เหมือนไม่รู้แต่มันก็รู้ได้ถ้าใครมาเรียนรู้ทางด้านาศาสนาพุทธเข้าก็จะสามารถมีสัญญาที่กําหนดรู้ได้ละเอียดมากจนกระทั่งรู้ว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาคืออะไรแต่ทางด้านฤาษีนี่เขาไม่รู้อ่ะเขารู้เหมือนกันเขารู้สึก เช่นว่าเราเจ็บคุณก็รู้สึกเจ็บแต่คุณไม่รู้ว่าเจ็บคืออะไรหมอเขรู้ว่าเจ็บคืออะไรหมอเรียนหมอเขรู้ว่าเจ็บคืออะไรคุณเจ็บก็รู้ว่าเจ็บเป็นอย่างนั้นเหตุนั้นจึงเป็นอย่างนั้นมันถึงเจ็บอย่างนี้หมอเขเรียนมาเขาก็รู้แต่คุณไม่รู้ว่ามันเจ็บมันเป็นยังไงมันเจ็บมันเป็นอะไรมันถึงเจ็บ คุณรู้ถึกแต่ว่าคุณเจ็บเช่นเดียวกันกับพระฤาษีเนี่ยเขาก็รู้ว่าเขาได้เนวสัญญานาสัญญาอารมณ์นั้นเขาได้แต่เขาไม่รู้ความจริงและไม่รู้องค์ประกอบไม่รู้รายละเอียดลงไปว่าเนวััญญานาสัญญานั้นเกิดได้เพราะเหตุใดและมันเป็นความจริงแค่ไหนลึกซึ้งแค่ใด เขาไม่รู้รายละเอียดอย่างนั้นทีเดียวหรือสีเขาจึงติดติดในวัสัญญานาสัญญาในวัสัญญานาสัญญายาตนะเขาติดแต่ของพุทธนั้นเมารู้แจ้งความจริงแล้วโดยเฉพาะยิ่งไปในสายทางโน้นมันก็เป็นภพเป็นชาติชนิดนึงเลยว่าอารูปภพแม้จะเป็นในวัฏญงานาสัญญายาตนะมันก็เป็นภพเป็นภพที่ มันเกือบจะไม่รู้งั้นเถอะในวาสัญญาณาสัญญาญาตนะเจะว่ารู้ก็ไม่ใช่จำปาไม่รู้ก็ไม่เชิงแล้วมันก็นิ่งสงบอย่งนั้น่ะมันสงบนะมันรู้นิดๆนะเจ้าว่าไม่รู้มันก็รู้ว่ามันมีตัวตนมันมีความรู้มันมีเราอยู่เราก็รู้อยู่ตรงนั้นแล้วมันก็ไม่รู้สึกอะไรมันได้แต่รู้ลำลำเรื่องๆมันไม่รู้สึกอะไร ไม่มีเจ็บไม่มีปวดไม่มีทุกข์ไม่มีสุขไม่มีอะไรมันก็อยู่อย่างนั้นคนทําได้ถึงภูมินี้ก็รู้สึกว่ามันสบายพระฤาษีนอกจากรู้จักสึกสบายแล้วก็รู้สึกว่าเก่งอีกต่างหากเขาก็ไปติดส่วนาศาสนาพุทธนั้นเป็นภูมิที่เลยนั่นไปอีกเรียกว่าสัญญาเวทยิตานิโรธกําหนดรู้หมดในรูปรรประชานะรูปประชานอะไรก็รู้ จะเรียนรู้อย่างฤษีก็รู้ได้ไม่เรียนรู้ไม่ลดทดลองเองเรียนรู้ด้วยความหมายเหตุผลอารมณ์ภพภูมิเช่นว่าคนไปสูบฝินเนี่ยสุขมีอารมณ์อย่างนั้นสุขเรเรียนรู้ได้แต่เราไม่ต้องไปสูบฝินลองดูคนเรียนรู้ประชานะรูปประชานก็เหมือนกัน เรียนรู้ความหมายเรียนรู้อารมณ์พอสมควรแล้วก็ประเมินประมาณไปอ๋อเป็นอย่างนี้เองนะอารมณ์อารมณ์อารูปปัจานเข้าใจชัดเจนนะอาการสาัญญายตนะเป็นอย่างนี้วิญญาณัญจาญตนะเป็นอย่างนี้อกินัญญายตนะเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยประเมินประมาณไปโดยเหตุโดยผลโดยสิ่งที่เรามีอารมณ์มีความรู้สึกอะไรก็เทียบเคียงได้ ว่าอารมณ์มันเป็นอย่างนั้ น, อ ย, น Yo Yo. Mean, iam, อย่างนั้นอย่างนั้นนะเนวสัญญาณสัญญาจตนาอเป็นอย่างนี้นะมิญญาณจะอากินจัญญาแล้วก็เนวสัญญาเป็นอย่างนี้อย่างงี้แต่คนผู้นั้นไม่ต้องไปฝึกไม่ต้องไปลิมอะลิมรสของอารมณ์อย่างนั้นอย่างนั้นเลยไม่ต้องข้าไปลิมรสนั้นไปต้องไปฝึกจนก็ต้องได้ถึงขั้นนั้นถึงจะอยู่ถึงจะหยุดถึงจะยอมก็ ก็ก็ได้เหมือนกันกับว่าเรารู้ว่าสูฟินมีอารมณ์อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นก็ฟังเ็าเข้าใจออมีมีเงินพันล้านไม่มันเป็นความสุขมากเป็นอย่างนั้น อ, อย่างนั้นเราก็เข้าใจอารมณ์นั้นอย่างนั้นะประเมินประมาณพอได้เราไม่ต้องเป็นลองมีเงินหมื่นล้านพันล้านก่อนอเราไม่ต้องเป็นลองว่าจะต้องมีอารมณ์เนวสัญญานาสัน ญ, ญาเยตนากน เราไม่ต้องเป็นลองว่าสซฟินเนี่ยมันเป็นอารมณ์อย่างนี้นะโอ้โหหรือว่ากินยามาตอนนี้มันกำลังดังยาบ้าอะไรเนี่ยอารมณ์มันเป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นลองดู ก, ก่อนเราจึงจะรู้เราจึงจะบรรลุความจริงถึงจะแจ้งความจริงไม่ต้องหรอกนะไม่ต้องไม่ต้องเป็นลองก็ได้สัญญาเวทยิตานิโรดนั้นเขาอธิบายเชิงฤษีไม่ได้หรอก เขาจึงอธิบายแล้ววนเพราะทุกวันนี้ในศาสนาพุทธเมืองไทยในอธิบายหรือแปลสัญญาเวทยิติโรตแปลว่าดับทั้งสัญญาทั้งเวทนานะแปลว่าดับทั้งสัญญาและเวทนาตามบัญญัติตามพยัญชนะสัญญาเวทยิตาเขาก็แปลว่าเวทนามาจากรากศัพด์เวทนาซึ่งเป็นความรู้อารมณ์เวทนาคือการรู้อารมณ์หรือตัวอารมณ์ มันถ้ามียานมีความรู้เป็นความรู้มันก็เป็นนามธรรมาเป็นนามส่วนเป็นรูปมันก็ถูกรู้ในลักษณะของการเป็นตัวมันเองเวทนาคือความรู้สึกนามธรรมาก็คือตัวรู้จักความรู้สึกคุณเองคุณรู้สึกนะคุณรู้สึก คุณก็เป็นอย่างนั้นคุณต้องรู้ว่าความรู้สึกคุณเป็นอย่างไรคุณก็ต้องเป็นอย่างนั้นให้ได้คุณรู้ว่าคุณโกรธหนึ่งก่อนรู้ก็เป็นก่อนคุณเป็นโกรธอารมณ์มันเป็นอย่างไรมันเป็นอย่างนั้นแหละอารมณ์โกรธเสร็จแล้วคุณต้องรู้ตัวเองรู้ให้ได้ว่าอารมณ์โกรธของเรามันเป็นอย่างไร เพราะการที leisure, re ่รู้อารมณ์โกรธของเรามันก็คือญาณของเราเองมันก็คือจิตของเราเองต้องโกรธในปัจจุบันนั้นขณะนั้นมันกำลังเป็นอารมณ์โกรธแล้วคุณก็ต้องรู้ของตัวคุณเองของคุณเองนะะมีญาณขึ้นมาให้ได้รู้ตัวให้ได้แล้วรู้อารมณ์นั้นให้ได้ว่ามันเป็นยังไงอารมณ์โกรธเป็นยังไงอารมณ์อร่อยคุณเกิดรสอารมณ์อร่อยคุณเองเป็นมันเป็นรูป มันเป็นมันเป็นรู ป, ปรธรรมที่เป็นคุณรู้จักอันนั้นอันที่ถูกรู้นั่นแหละมันเป็นรูปและคุณก็มีญาณมีปัญญาของตัวเองให้ได้อย่างรู้ให้ได้อย่างรู้อารมณ์ขตนเองญาณที่อย่างรู้นั้นเป็นนามญาณที่อย่างรู้นั้นเป็นความรู้สึกอีกทีหนึ่งเป็นนามเป็นปัญญามันจับเวทนาบ ร, ริภาษาว่าเป็นปัญญาหรือญาณ อย่างรู้เวทนานั้นอย่างรู้อารมณ์ที่เป็นอย่างนั้นของเรามันซ่อนอยู่อย่างนี้แล้วเมื่อเรารู้ความจริงอย่างนี้คนในโลกนี้ไม่ได้ศึกษาขนาดนี้เป็นแล้วก็เป็นเลยโกรธก็โกรธแล้วไม่รู้ตัว่าโกรธมันบันดาลให้มันแรงยังไงก็แรงไปตามอารมณ์บันดาลที่โกรธนั้นคนที่สั่งสมอารมณ์โกรธมาแล้วรุนแรงบ้าเลือด เป็นไปได้อย่างบ้าเลือดนคนที่เรียนรู้แล้วก็ไม่ทำโกรธแล้วก็ไปทำรุนแรงไปทำเลวร้ายอะไรต่างๆนานาสารพัดอัตมาเคยดูหนังไม่รู้กี่เรื่องกี่เรื่องเนี่ยก็แสดงหนังเวลาเขาโกรธขึ้นมาในาหัวหกวทิ้งอะไรอั้งนันนี้หมดเลยนะทำลายกวาดชกกับผนังชกอะไรเลือดแตกอัตมาว่าบ้าหรือเปล่ามันเจ็บมือจะตาย ไปชกทําไมแล้วไปทีกวาดของอัตมาก็ว่าอะไรก็ของมันไปกวาดมันก็ตกมันก็แตกมันก็ทําลายมันก็จิบหายไปตัวเองก็เสียหายแล้วกิริยาที่ทําอย่างนั้นมันก็ไม่เห็นหน้าดูตรงไหนอัตมาในชีวิตไม่เคยทําไม่เคยทําไม่เคยโกรธแล้วก็จะต้องแมน้น เวียงปุ๊บเวียงปั๊บตีคนนั้นฟาดคนนี้โดยเหมือนก็ไม่มีความรู้สึกเหมือนก็ไม่มีการรู้ตัวทําอย่างนั้นมันเร็วมันไม่ดีใช่ไหมคนเราดูมีความรู้สึกธรรมดาก็รู้มันไม่เร็วหรอกมันมันไม่ดีหรอกมันเร็วมันถ้ามันไม่น่าดูเวียงปุ๊บเวียงปั๊บหัวโน้นหัวนี่เตะนนต์เตะนี่เหมือนอย่างการคนที่เขาโกรธอะไรเตะมีอะไรข้างหน้าเตะเลย แต่กระป๋องกระป๋องแต่ของอะไรอย่างที่เขาเห็นอารมณ์โกรธอัตมาไม่เคยทําไม่เคยมีอารมณ์อย่างอารมณ์ที่โกรธก็เคยรู้จักมันอ้องโกรธเป็นอย่างนี้รู้จักมันเคยเป็นอารมณ์โกรธเคยรู้แต่ว่าจะต้องแรงแสดงกิรยากายออกมาอย่างนั้นหรือแม้แต่แสดงกิรยาวาจาออกมาโกรธแล้วก็ด่าทออะไรไหมในชีวิตอัตมาก็ไม่เคยโกรธแล้วก็ต้องด่าทองมาเป็นคํา หยาบคำยังงี้ไม่เคยนะและรือไปจนเนื้อตั่งเดี๋ยวนี้รื้อไปตั้งแต่จนเด็กจนโตไม่เคยนะแต่อารมณ์โกรธรู้ว่าอารมณ์โกรธเป็นอย่างนั้นแต่แสดงออกมาทางกายทางวาจายอย่างนี้เออตมาตมาไม่เคยทําเคยอย่างหนักเคยโกรธมากๆ อย่างคนอื่นๆยังไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องเนี่ยอาตมาไม่เคยโกรธมาเคยโกรธพี่น้องนี่เคยโกรธเนีเคยโกรธโกรธแล้วก็มันถึงขั้นวะเอ๊ะคนนี้ต้องตีอาตมาเคยตีน้องตีน้องคนเล็กคนที่ตายไปเนี่ยในแต้มอาตมาตั้งชื่อให้ว่าแต้มอาตมามาอยู่กรุงเทพแล้วในแต้มเกิดเนี่ย พอแม่คลอดก็บอกไปว่าน้องเกิดแล้วนะ้อาตมาก็ต้องตั้งชื่อส่งมาตั้งกรุงเทพมาให้ทั้งชื่อเล่นชื่อจริงก็ตั้งมาตั้งแต่กรุงเทพส่งมาตมาเรียนกรุงเทพแล้ว <c oughs> ในแต้มในด้าวนี่เพิ่งตายไปนี่น้องคนสุดทองตายไปก่อนเพื่อนเลยอาตมาเคยตีเขา <c oughs> เขาไม่ไปโรงเรียน อาตมาเหนื่อยนะอาตมาเลี้ยงน้องตั้งห้าหคนแล้วก็คนนี้คนเล็กที่สุดให้ไปโรงเรียนมันก็เหน็ดเหนื่อยยังจำได้ว่าก็ด่าเขาบอกพ่อแม่ไม่มีแล้วนะก็ด่าเขาพี่ต้องเลี้ยงเหน็ดเหนื่อยนะให้เรียนเนี่ยไปโรงเรียนไปเอาวิชาใส่ตัว ทำไมดื้อด้านทำไมไม่รู้ทำไมไม่ไปเรียนหนังสือมันก็ตกต่ามันก็ไม่ดีก็ให้ไปเรียนหนังสือก็ตอนนั้นก็ต้องอย่างนั้นก็ให้ไปเรียนเขาก็ดื้อเขาจะไม่ไปโรงเรียนดื้ อ, องั้นงองแงงั้นไม่ไปอาตมากโกรกจนเอาไม้โปรเจคเตอร์ไม่ฉากตีเลือดออกเลย ม, มันมีคมอะ่ะไม้โปรเเตอร์มันมีคมมันเนี่ยนะมันตีเข้าไปที่แขนตีไปทีเลือดออกึันไม่เคยอาตมาไม่เคยตีน้องไม่เคยตีใครเลยแต่ก่อนจะตีนะ่ะรู้รู้อยู่อารมณ์ที่ตีคนเนี่ยโอ้โหรู้สึกสงสาร แต่ว่ามันต้องตีถ้าไม่ตีแล้วมันไม่ไปโรงเรียนต้องตีจำได้ว่าตีน้องอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยไดรู้ว่ารุนแรงนด้อย่างนุกตีไปเลือดออกโอ้โหตกใจตีไปเลือดออกตีครั้งเดียวก็เลือดออกนั่นน่ะตีน้องอยู่ครั้งหนึ่งในชีวิตที่อาตมาเล่าให้ฟังเนี่ยมันเกี่ยวด้วยคน อาตมาก็เป็นคนเกี่ยวกับความเป็นคนที่เล่าให้ฟังเพื่อให้รู้ว่าจิตวิญญาณในสั่งสมแลอาตมาเปิดเผยกับพวกคุณได้ปีนี้ปีที่ยี่สบเกแล้วทํางานศาสนาบวชบวชมาเนี่ย <c oughs> ปีย่างก็สามสิบละก็อวดกับพวกคุณนี่ขณะนี้นี่เทนี่กับพวกเราชาวโศกอาตมาว่าคงไม่มีใครตื่นมาเราข้างนอกที่ไม่ใช่ชาวโศก แล้วก็จะมาเที่ยวงานนี้ว่าไง น, นะอนตาตมาว่าไม่มีนั่งอยู่เนี่ยมีแต่คนที่เป็นชาวโศกหรือไม่ก็ถูกชาวโศกดึงมาดึงมาแล้วต้องมาค้างคืนนะถูกชาวโศกนี่ดึงมาต้ก็ต้องคงจะศรัทธาอยากจะรู้จักจะอะไรไม่ใช่ว่าสเป็นสปามาซื้อเข้าซื้อของมาตลาดมาซื้อของแล้วก็กลับบ้านอย่างที่มามาซื้อของเท่านั้นไม่ใช่แนะ่ ที่นั่งฟังแท้อยู่ขณะ น, นี้ไม่ใช่คนนอกอย่างนั้นแน่นอนเทตามาเจตนาอยากจะพูดอยากจะบอกพวกเราก็คือว่าคนอยากจะย้ำตรงนี้ความเป็นคนเนี่ยคุณเกิดมาเป็นคนแล้วเนี่ยมีชีวิตไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกิดมาเพื่ออะไรเลยถ้าเกิดมาไม่ถูกหลอกก็เกิดมาหาความจริง ฟังไปเลยคนเนี่ยไม่ได้เกิดมาเพื่ออะไรสัตว์เดรัจฉานมันยังไม่หลอกกันนะมันไม่หลอกกันนะแล้วมันก็อยู่อย่างโง่ๆอย่างนั้นนะสัตว์เดรัจฉานแต่คนเนี่ยมันฉลาดเพราะฉะนั้นเกิดมามันจะฉลาดอย่างไรเท่านั้นเองฉลาดอย่างโง่เอ๊ะภาษาไทยเป่าฉลาดอย่างโง่นะมันจะฉลาดอย่าง จะว่าไงมันฉลาดอย่างโง่ที่จะว่าไงนะฉลาดอย่างอาวิชชาอัตมาเคยแปลคำว่าอาวิชชาแปลว่าฉลาดนะป ร, ะรยนเขาก็ต้องเต้นแหละอวิชชาแปลว่าฉลาดเขาจะไปยอมได้ยังไงอัตมาเคยแปลว่าอาวิชชาแปลว่าฉลาดทุกวันนี้คนกําลังสแสวงหาอาวิชชากันมากเลยเรียนรู้ค้นคว้าทุกอย่างเลยสแสวงหาความฉลาดเขาวางเงนนะ เขาว่านะแต่อัตมามาโง่ก็แสวงหาอาวิชชาสแสวงหากันจริงๆเลยแล้วได้กันเยอะๆด้วยได้อวิชชากันมามากได้ความโง่เงาได้ความฉลาดที่ที่เลวเออถ้าแปลว่าฉลาดที่เลวก็ดีเป็นความฉลาดที่เลวเอวิชชาเป็นความฉลาดที่เลวฉลาดที่เลวไปเอาเปรียบเขาเลวที่ไม่ไม่เป็นคุณไม่เป็นบุญ เลวที่ไม่เป็นฉลาดที่ไม่เป็นคุณไม่เป็นบุญนั่นแหละฉลาดเลวฉลาดไม่เป็นคุณฉลาดไม่เป็นบุญมันซ้อนนะจะว่าไม่รู้จักบุญก็ไม่จริงจะว่าจะไม่รู้จักคุณค่าก็ไม่จริงรู้รู้จักคุณค่ารู้จักบุญแต่ไม่ปฏิบัติให้เป็นบุญเพราะตัวเองไม่ลึกตัวเองปฏิบัติบุญส่วนเปลือกส่วนผิว แต่ลึกลงไปไม่เข้าใจในความลึกซ้อนที่ในความเป็นผิวนี้มันมีความเกี่ยวโยงไปหาความลึกและไอสิ่งที่เกี่ยวยงไปหาความลึกนั่นน่ะลึกในเบื้องลึกนั้นเป็นบาปแล้วในจิตที่ลึกๆของตัวเองนั่นแหละเราไม่รู้จิตตัวเองว่าจิตตัวเองต้องการบาปมันงู้ไม่ล่ะจิตตัวเองต้องการบาป ลึกๆเนี่ยนะต้องการบาปแต่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองจะได้บาปหรือต้องการบาปไม่รู้ตัวจิตลึกๆพวกนี้เป็นอันคอนเชียสเป็นอันคอนเชียสที่เขาอย่างไม่ถึงหรือเป็นซับคอนเชียสเท่านั้นเพราะฉะนั้นเขาจะมีความรู้สึกชัดเจนอยู่แต่แค่ในระดับคอนเชียสธรรมดาในระดับจิตสำนึกธรรมดา ส่วนใต้สำนึกหน่อยหนึ่งเนี่ยเขาก็จ่างลงไปประวัติไปไปถึงจิตลึกแค่ซับคอนเชียสแค่ใต้าสานึกนิดหน่อยไม่ชัดเบลอส่วนอันคอนเชียสนั้นไม่รู้เรื่องเลยเขาไม่สามารถที่จะรู้ตัวได้เลยเพราะเขาไม่เรียนและเขาไม่ฝึกตนเขาไม่สามารถที่จะมียานย่างเข้าไปถึงจิตลึกของตนเองคนพวกนี้ไม่ศึกษาจิต ศึกษาแต่เบื้องนอกเพราะฉะนั้นไปเรียนเรียนแต่เปลือกแต่ผิวแล้วก็เรียนหาวิธีการที่จะได้เปรียบเมื่อได้เปรียบมากๆก็ชอบแล้วก็จะเอาแต่เปรียบเพราะฉะนั้นก็จะเรียนวิธีการที่จะพลางลวงแล้วก็สแสวงหาฐานะที่จะเป็นฐานะได้เปรียบไปเรื่อยๆประเทศไทยเนี่ยล่มจมและประเทศไทยนี่แย่ก็ตอบตอนที่เปลี่ยน การปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยมามีระบบการปกครองตอนเองมีกลุ่มตนเองดูแลตนเองกันในหลวงไว้ต่างหากไม่ให้ในหลวงเขามาวุ่นยุ่งเกี่ยวกับการบริหารบ้านเมืองบริหารประชาชนกันไม่ให้ในหลวงมาบริหารประชาชนเขาเอาการบริหารมาไว้เองหมดเสร็จแล้วก็ตั้งมาเลยตั้งเงินเดือนตั้งยศตั้งลาบยศสันเสริญ โลกียสุขเอาไว้ตังหกโดยเฉพาะตั้งลาบตั้งยศตั้งเงินเดือนสมุรินายาสิทธิราชคำว่าข้าราชการคือผู้รับใช้ในหลวงข้าราชก็บอกอยู่แล้วข้าราชชะที่จริงมันควรจะเปลี่ยนระบบนั่นแล้วมันควรจะมาเปลี่ยนเป็นข้าราชดอนการไม่น่าจะเปลี่ยนเป็นมันไม่เรียกเดินไม่น่าจะเรียกข้าราชการควรจะเปลี่ยนเป็นข้าราชดอนการจะได้รู้ว่าพวก พวกเองน่ะเป็นค่าคีดค่าราษฎรนะประท้วงอ่ะแรงไปหรือไงพูดแรงไปบา้างพวกที่ทำงานที่บริหารประเทศอยู่เนี่ยเป็นค่าผู้รับใช้ราษฎรทำงานคือการในการทำงานรับใช้ราษฎร เพราะงั้นถ้าเผื่อว่าอาตมาได้เป็นนายกเมื่อไรนี่จะเสนอเปลี่ยนชื่อข้าราชการเป็นข้าราษฎรการมันจะได้ชัดว่าเขารับใช้ราษฎรอยู่ก็ เ, เป็นข้าถ้าจะพูดให้เต็มคําก็คือนะ้ำก็หยาบไปนิดหน่อยเนาะขี้ข้ามันหยาบนิดหน่อ ย, นะานะ ย, าอยราษฎรนะต้องพูดวักไว้หน่อยเนาะมันจะได้ฟังดูพอใช้ได้ถ้ามันติดต่อกันมันฟังแล้วมันหยาบมันแรงนะ ครัใช้ราษฎรทุกวันนี้คุณว่าข้าราชการนี่เป็นผู้รับใช้ราษฎรหรือเปล่าผู้มีสติสัปพัญญาปัญญาอย่างสมบูรณ์ไม่มีใครตอบว่าเป็นนอกจากคนที่มีสติสัพพัญญาปัญญาไม่สมบูรณ์ก็อีกเรื่องนหนึ่งไม่เป็นหรอกเขาเป็นนายเป็นนายราษฎร ใช้อำนาจบาดใหญ่เท่านั้นนี่อาตมาไม่ได้มาปลุกเราให้พรกคุณไปที่ได้รุนแรงอะไรข้าราชการนะเขาเองเขาไม่รู้ตัวว่าเขาเองเขาเป็นผู้ได้เปรียบและเอาเปรียบกันมหาศาลเขานึกว่าเขายุติธรรมมันไม่ยุติธรรมเลยข้าราชข้าราชข้าราชการเนี่ยเป็นคนที่ได้เปรียบสังคมประเทศชาติ มีข้อมูลว่ารายได้ของรัฐของประเทศเนี่ย7 5 0 0 0ล้านต่อปีเป็นเงินเดือนค่าราชการหรือเอามาให้ไว้ตัดออกมาไว้สำหรับจ่ายค่าราชการเสีย 540,000 ล้านต่อปี จาก 7,50,000 หล้านตัดออกมาไว้5 4 0 0ส0ื่นล้านสำหรับให้ข้าราชการเสร็จแล้วขณะนี้ประเทศไทยเป็นหนี้เขาอยู่จะต้องจ่ายดอกเบี้ยเขาอีกแสนล้านแล้วก็จะต้องสพอนต์ต้นเขาอีกแสนล้านรวมแล้วเป็น7 0 0 0 0 0ล้าน7จสี่มล้านใช่ไหม ห้า0ส0สี่มืนกับอีกสองแสก็เป็นเจ0ดแสสี่มื่นล้านตกลงเจ0ดแสห้ามืนกับเจ0ดแสสี่มืนถูกบล็อกไปแล้วตัดไปแล้วบล็อกเอาไว้สำหรับเอาไปจ่ายในที่ต้องจ่ายตายๆแล้วเหลือ หนึ่งมืนล้านมาให้ประชาชนอีกที่พกหกล้านคนแล้วในอีกหมื่นล้านนี่ยังมีอีก2อซีคือซีคอ r ์รัปชันกับซีคอ m มิ s ชั่นในหมื่นล้านเนี่ยยังมีอีกมันมีซีที่เขาจะแบ่งไปข้าราชการนี่แหละเป็นผู้แบ่งแบ่งสองซีเนี่ยมี Corruption กับ Commission อ, อีก แบ่งออกไปอีกอาตอมาได้ยินคุณโส พ, พลสุภาพงษ์พูดบอกเอาไว้พูดว่าเงินของประชาชนเนี่ยเงินของประชากรประเทศไทยเนี่ยถูกเก็บไปเป็นภาษีเป็นรายได้ส่วนอะไรก็แล้วแต่นอกจากภาษีเป็นรายเป็นรายได้ของรัฐทั้งนั้นน่ะรวมไปแล้วเสร็จเสร็จแล้วก็กลับคืนมาสู่ประชาชนเนี่ย เเอาจากประชาชนไปแล้วก็กลับคืนมาสู่ประชาชนนี่็เปอร์เซ้นต์นั้นไม่รู้ไปหายไปไหนที่จริงรู้เราก็รูู้กันอยู่อย่างเงี้ยเก้นนั่นนะไม่ไม่ใช่ประชาชนไม่ได้คืนได้คืนมาถึงคนถึงประชาชนเ็ซนมันจะไหวไหมเนี่ยประเทศจะไหวไหมเนี่ยนี่ยังไม่แก้ ตั้งแต่ปฏิวัติประเทศไทยมีประชาธิปไตยมา60สกว่าปีเท่านั้นแหละเงินเดือนข้าราชการขึ้นไปถึงกี่เปอร์เซ็นต์นะ่ะเจ็ดแสนห้าหมืนล้านกับหักออกไปสะห้าแสนสี่มืน ล, นล้านนี่กี่เปอร์เซ็นต์นะ่ะเอาละพวกเราไม่เก่งคณิตศาสตร์กันก็ไม่ต้องคูนออกมานะ เขาตั้งเองนะเขาตั้งเงินเดือนนี่เขาตั้งกันเองเอาเงินจากประชาชนไปตอนแรกๆไม่กล้าตั้งขนาดนี้หรอกตอนหลังๆก็ยามใจเพราะตั้งเองนี่ก็ขึ้นเงินเดือนตั้งแต่มีปฏิวัติมีข้าราชการระบุเงินเดือนให้ข้าราชการเาลเดือนหนึ่งเท่านี้บาทเดือนหนึ่งไม่ถึงบาทแรกๆเดือนหนึ่งไม่ถึงบาทข้าราชการระดับนี้เดือนหนึ่งบาทหนึ่งสองบาทบาทเท่านั้นเฟือกเท่านี้ อัดท่านั้นลดไปเรื่อยๆจกกนกระทั่งเงือนเดือนเป็นบาท2บาทหบาท10บาทจริงๆไลามาเรื่อยๆอเงินเดือน5บาท10บาท2ีบาทเดี๋ยวนี้เงินเดือนมันโอ้โหเท่าไหร่เขาตั้งขึ้นมายังไม่เคยลดเงินเดือนเลยตั้งแต่เริ่มปฏิวัติเป็นประชาธิปไตยมาก็ตั้งเงินเดือนเองมาเรื่อยประชาชนไม่มีสิทธิ์ประท้วงยังไงเขาก็ไม่ฟัง ต่อให้วิกฤตขนาดนี้เศรษฐกิจวิกฤตนี้เขาก็ยังขึ้นเงินเดือนกันอยู่ประชาชนจะเป็นจะตายยังไงไม่เกี่ยวเขามีสิทธิ์บริหารเงินนั้นมาให้กระเป๋าเขานี่มันคือความลำเอียงความที่ไม่รู้อะไรเลยอาตมาเคยพูดเล่นต้องถือว่าพูดเล่นเพราะพูดยังไงมันก็ไม่จริงอยากจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจประเทศชาติไม่ยากหรอกลดเงินเดือนของข้าราชการลงมาคนละครึ่ง จะได้คืนมาอีก2 0 0เจ0 0 0ล้าน 2,70 0 0นล้านนี่ไม่น้อยแล้วแล้วก็เอามาบริหารมาช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจประเทศชาติขึ้นมามันไม่ไหวหรอกแค่ 2,40 0ี่มล้านมาแก้ก็ไม่ไหวแต่ก็ยังดีขึ้นใช่ไหมถ้าแก้ไปปีนี้ปีหน้าปีน้เแก้ไปอีกอยากจะให้ดีกันลดลงไปอีกเป็นเศษสองส่วนสิของเงินเดือนอัตมาเธอบอกว่าพูดเล่น เพราะว่าคำพูดนี้เนี่ยต่อให้หมางอกเขาก็ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้จริงหมางอกเขายังเป็นเรื่องเป็นไปได้มากกว่าที่จะให้ลถเงินเดือนพวกนี้นะเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นในความหวังนี้ทั้งความหวังใหม่ความหวังเก่าไม่หวังทั้งนั้นปีใหม่นี้ไม่หวังความหวังไหนเลยเออวันนี้จะเทปีนี้จะเทศอะไรเนี่ยเนาะ เทศไทยรักไทยเหรออ๋อทักษิณส่งมาเองคนนี้ไม่พูดไม่รู้นะนี่ว่าทักษิณส่งมาไม่มีความหวังในเรื่องการบริหารประเทศไม่มีความหวังในเรื่องของผู้<ม>ที่จะกระทาเพื่อประเทศชาติหวังที่ไหนฮ หวังที่ผู้ศรัทธาในศาสนาคนเหล่านั้นไม่ศรัทธาในศาสนากล่าวได้อย่างนี้เลยถ้าไปบอกเขาไปว่าเาว่าคุณไม่ศรัทธาศาสนาเขาก็ไม่ฟังหรือฟังเขาก็ไม่คิดว่าเขาเป็นเขาจะเอาเราตายมาดูถูกเขาเขาจะหาว่าเราดูถูกเขานะเขาก็ศรัทธาศาสนาอาตมาเชื่อ แต่ศรัทธาของเขานั้นเป็นแค่เพียงศรัทธาผิวเผินคําว่าศรัทธาอาตมาสอนพวกเราไว้มีถึงสามระดับง่ายๆศรัทธาสัตทินรีศรัทธาพระและอาตมาก็แปลเป็นภาษาไทยเอาไว้ด้วยศรัทธาก็คือเชื่อเชื่อฟังขออภัยเชื่อถือศรัทธาก็เชื่อถือสัตทินรีอาตมาแปลเป็นภาษาไทยว่าเชื่อฟัง คนที่เชื่อฟังในความหมายของภาษาไทยเนี่ยคนเชื่อฟังเป็นไงทาตามคนที่บอกแล้วเชื่อฟังนี่ทำตามคนที่เชื่อถือเนี่ยก็เชื่อถือถือบางบางมั่งบางคนดีนะเชื่อถือถือนะถือแต่เลยถือมวยแขนเลยนะถือเมื่อยมือเลยถือจังเลยนะแต่ไม่ทำอะไรหรอกถืออย่างั้นน่ะแบกเทเร่เทเรอยู่นั่นน่ะ เขาเชื่อถือก็แค่เชื่อถือแค่นั้นแหละตลอดตายตายแล้วอีกกี่ชาติก็แค่เชื่อถือเขาจะไม่มีอํานาจฤทธิดเดชหรือน้ําหนักของความเชื่อนั้นลึกลงไปถึงขั้นสัทธินีที่เรียกว่าเชื่อฟังศรัทธามันจะเกิดได้มันก็จะต้องมาศึกษาปฏิบัติประพฤติให้มีองค์ธรรมถึงหมันถึงจะครบศรัทธามีองค์ธรรมหคืออย่างไรมีอะไรบ้าง มันเน้นศรัทธาให้ดีๆพวกเรานี่มีปัญญาเยอะแล้วจนกระทั่งเป็นปัญญาเฉโกแล้วเดี๋ยวนี้พวกเราเนี่ปัญญาเยอะจนกระทั่งอยู่ในนี้เนี่อาตมาพูดปากเปลี่ยปากชฉศรัทธาหนึ่งมีอะไรไม่ศรัทธานี่มีศรัทธาที่จะมีองค์ธรรมองค์ธรรมอีกอันหนึ่งเป็นอินทรีห้าของศรัทธา ขาขออภัยอาอตมาไปพูดผิดอินทรีห้าไม่ใช่ศรัทธาห้าเนาะอินทรีห้าสัตทินรีอาอาตมาพูดผิดไปขอไปว่าไม่ใช่ศรัทธาห้าไม่ใช่องธรห้าของศรัทธาองค์ธรรมหของอินทรีห้าองค์ธรรมหของอินทรีห้ามีศรัทธาเป็นตัวนำแต่มันมีความเกี่ยวพันมันเป็นองค์รวมมันไม่ได้อยู่เดี่ยวศรัทธาไม่ได้อยู่เดียวศรัทธามีเพื่อน ศรัทธาจะต้องมีวิริยะมีสติสมาธิปัญญ า, าผู้ยังจาได้ท่องได้ก็จะชัดเจนผู้ที่จาไม่ได้ท่องไม่ได้ก็ฟังฟังสักบ้างจำางสักบ้างศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่คือองค์ห้าของอินทรีห้าพระห้าก็เหมือนกันพระห้าก็มีศรัทธา วิริยะสติสมาธิปัญญาเหมือนกันแต่พะละนั้นหรือผลพะละนั้นเป็นกําลังที่อีกระดับหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านจัดไปสองหมวดเลยอินทรีย์กับพะละเนี่ท่านจัดไปต่างกันเป็นกําลังพะละก็แปลว่ากําลังอินทรีย์ก็แปลว่ากําลังเป็นความเป็นใหญ่ในตนท่านแปลเป็นภาษาไทยเอาไว้ยังงั้นเป็นความเป็นใหญ่มีอะไรเป็นใหญ่พลังงานชนิดหนึ่งพลังงานในระดับจิตวิญญา เพราะพลังงานในระดับจิตวิญญาณที่มีระดับอินทรีย์อยู่ในขนาดหนึ่งถ้าอยู่ในระดับพละเหนือชั้นกว่าอินทรีย์เพราะในโพธิปักเกียรธรรมสามโพธิปักเกียรติธรรมเข้อเนี่ยเหลักเนี่ยจึงมีอินทรีย์หลักหนึ่งพละหลักหอินทรีย้าหลัก 1, พละหหลักเบิดทวนมาถึงโพธิปักเกียรตธรรมแล้วก็อยากจะทวนให้ฟัง ท่วนทั่วกันให้จำไม่ได้ถ้าจำไม่ได้เราไม่มีทฤษฎีที่จะปฏิบัติทฤษฎีหลักของาศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดรวมหมดเลยาศาสนาพุทธทั้งาศาสนาพุทธมีโพธิปคีธรรม3านี้ยิ่งใหญ่ที่สุดถ้าจะบอกว่ายอดหัวใจก็อยู่ในนี้ยอดหัวใจที่เขาบอกว่ายอดหัวใจาศาสนาพุทธก็อยู่ในนี้หมดนี่แหละอริยสัจ ท, ทั้งหมดก็อยู่ในนี้น่ะ และตัวปฏิบัติจริงๆมาแปก็อยู่ในข้อสุดท้ายของโพธิปัคยธรรม7ข้อนีน่ซึ่งอัตมาย่นย่อมาให้เป็นตัวเลขว่า4 5, 7, ี่ห้านี่ไม่ใช่ให้หัวยต้นปีนะ4 5 7หพูดมาบ่อยแล้ว4 5 7 8เพวกเราเรารู้ดีเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนนอกเขาก็จะบ้าหวยบ้าอะไรไปเลยจริงๆแต่พวกเราเนี่เป็นคนเก่าแล้วไม่มีปัญหาอะไรสก็คือสา ข้อแรกของโพธิปักเทตธรรมสามข้อแรกมันมี7ข้อสามข้อแรกหนึ่งสติปัฏฐานสี่สองแม่นักเรียนนี่ไม่เหมือนเด็กๆ เ, เลยเนาะคนโตแล้วพูดไม่เก่งถ้าเด็กๆนี่เอาแล้วแกจะทวนพอบอกหนึ่งแกรู้แกก็จะสติปัฏฐานสี่ลั่นเลยนี่คนเป็นพันเงียบเพียนักเรียนแค่4ี่สิคนในห้องแกจะเสียงลั่นเลยนะหนึ่งเออใคอยเป็นนักเรียนขึ้นมานิดหนึ่ง สองสมัประธาน 4, 3, สีสอิธิบาท4นี่คืออัตมารวบเลขตัวเลขสี่มารวมไว้มันเป็นหมวดหมส่สี่หลักสี่เนี่ยสข้อนี่สติปทานสมัประธานและอิธิบาสเป็นตัวปฏิบัติเป็นตัวปฏิบัติโดยตรงเลยนอกนั้นเป็นเป็นหลักหรือเป็นตัวสภาพอย่างอินทรีย์กับพระ ต่อมาไมา่อินซีห้ากับพระหนี่คือเลขหอินทรีห้ากับเลขพระหนี่เป็นตัวที่จะสั่งสมลงเป็นผลจากสมเนี่ยจาก4จากสติปทานสี่สมปทานสอิทิบาทสีนี่แหละเป็นตัวปฏิบัติสข้อนี่เป็นตัวปฏิบัติจริงๆปฏิบัติแล้วมันก็ถึงจะลงไปเป็นอินทรีย์แล้วก็ไปเป็นพระ แล้ววิธีปฏิบัติก็ปฏิบัติตามหลักมรคองคปดแล้วต้องมีโพชชงเจ็ดมรคอง8กับโพธชงเจ็ดนี้ไปได้วยกันคู่กันเป็นก้าวกับขารู้จักก้าวกับขาไหมฮก้าวกับขาขานี่คือมรคโพธชงนี่คือก้าวเพราะฉะนั้นคุณต้องมีมรคมีทาง มีขามีทางมีมักที่จะเดินถ้าไม่มีขาไม่มีทางคุณก็ไม่จะรู้จะก้าวยังไงเมื่อมีขามีทางแต่คุณไม่ก้าวฝังตรงนั้นฝังลงไปให้ลึกๆเรียกว่าเหวฝังลงไปลึกกว่าเหวเรียกว่านรกฝังอยู่ตรงนั้นอนะจมแช่อยู่ตรงนั้นอนะดิงอยู่ตรงนั้นอนะหนักปักอยู่ตรงนั้นอนะต้องก้าว เพราะเะ้นเราเรียกว่า9 7 9ของพระพุทธเจ้าคือ9โพธชงถ้าไม่9ไม่ไป9ด้วยอะไร9ด้วยองค์ที่หนึ่งของโพธิปักคียธรรมหรือ9ด้วยโพธชงข้อที่หนึ่งโพธชงสก็คือโพธิปักคียธรรมสมข้อเหมือนกันสติปทานสสติสัมโพธชงสัมมรปทานสคือธรามวิจจะ ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์อิทธิบาท4ีคือวิริยะสัมโพชฌงค์ซิมโนนีมพุชฌงค์สากับโพธิภักขยธรรมสามซิมโนนีมเหมือนกันคล้ายกันใช้แทนกันมีความขยายมีรายละเอียดต่างกันบ้างแต่ก็คือหลักเดียวกัน เระฉั้จะมีโพชงสามหรือมีโพธิปักเกยธรรมสามเสร็จแล้วตึงจะสั่งสมลงมาโพชงก็เป็นปีติเป็นปัจสัตติเป็นกําลังเป็นปิติเป็นสัตติปัติก็คือได้ดีถ้าไม่เข้าใจความดีนั้นเป็นอุปกิเลสอาตมาแปลปิติว่าได้ดีดําเนินดีเกิดดีมีดีปิติเนี่ย ได้สิ่งที่ดีจเจริญทางดีพอได้ดีแล้วถ้าคุณไปหลงดียึดดีไปฟูใจในดีนั่นแหละคืออุปกปรณ์ิสัทปัสสัทธิก็เป็นดีอันนั้นเป็นการจเจริญขึ้นทางด้านจเจริญทางด้านจิตก็สงบลงเป็นปฏิสัทธิปิติกับปัิสัทธิก็คล้ายกันกับอินทรีห้าพละห้า เป็นคุณักคุณสมบัติที่จะสั่งสมลงไปโพชฌงข้อที่หข้อที่เจเป็นสมาธิเป็นอุเบกข า, าสมาธิสัมโพชฌงอุเบกขาสัมโพชฌงอีกอันเนื้อหาสุดท้ายนี่ก็จะลึกเป็นแนวลึกกันไปอีกแต่โพธิปักเกียร์ธรรมนั้นเป็นแนวว้างแต่ก็มีอันเดียวกันในโพชฌงเจ็ดมีอุเบกขา มีสมาธิในโพธิปัจจยธรรมนั้นบอกตัวโพชงเลยข้อที่หข้อที่เจดมรรคองแปดเลยนในมรรคองค์8ก็มีสมาธิมีสมาสมาธิลึกลงไปในสมาสมาธิก็มีอุเบกขาเหมือนกั น, นลึกลงไปในสมาธิก็มีอุเบกขาเจตสิก เ, เหมือนกัน เนีอ่อาตมาบอกถ้าพยัญชนะที่บุคุณเรียนมาแล้วแล้วเคยได้ฟังธรรมอาตมามาแล้วอาตมาพูดแค่นี้บุคุณก็เข้าใจการปฏิสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์ของมันได้ใช่ไหมก็จะรู้สภาพที่มันจะเกี่ยวข้องกันอย่างไรทําปฏิกิริยากันอย่างไรมีการสังเคราะห์กันอย่างไรก็จะรู้พวกนี้นี่เป็นบัญญัติเป็นภาษาและเป็นหลักวิชาเป็นทฤษฎีอ่ ว่าอยากจะย้ำพวกนี้ให้พวกเราได้ไปทบทวนไปฝึกไปเอามาใช้ให้เป็นอตอนนี้เรากำลังมีสมามีสติปัฏฐานเสีหรือเปล่าสติอตมาก็สอนไว้หมดแล้วสติมีตั้งสามขั้นงน่ายสติปุตชนสติกัลายาณนชนสติอาริยชน สติปุตุชนนี่ก็เป็นสามัญธรรมดาทั่วไปก็มีสติอย่างที่เขาเป็นอย่างที่อาตมายกตัวอย่างตัวเอง่ามีสติรู้ว่าตัวเองนี่โกรธมีสติรู้ตัวเองโกรธแล้วตัวเองจะตีน้องนี่ตัวเองต้องรู้แล้วว่าตัวเองจะตีน้องลงไปถ้ามีสติก็รู้ตัวรู้อารมณ์ของตัวเองรู้ว่าเรากำลังจะทำกรรมอะไรจะตีน้อง กรรมนี้เป็นกุศลหรืออกุศลควรหวรือไม่สมควรมันจะมีธรรมวิจัยสัมโพธชงเนี่ยตัวสําคัญถ้าฝึกธรรมวิจัยมันวิจัยทำวิจัยนอกวิจัยในยวิจัยธทมวิจัยกรรมกุศลกรรมอกุศลกรรมหรือกุศลธรรมอกุศลธรรมมันเป็นธรรมอย่างไรและเป็นกรรมอย่างไรกรรมที่จะทำเนี่ยมันเป็นธรรมหรือไม่มนุษยเป็นอธรรมเป็นอกุศลธรรมหรือกุศลธรรม มีปฏิพานปัญญาถ้าคนที่ฝึกแล้วจะมีปฏิพานปัญญารู้จักกรรมรู้จักธรรมธรรมะนะรู้จักธรรมะที่เป็นกรรมหรือเป็นธรรมะอย่างไรฝึกฝนเรียนรู้มันจะมีความแวไวไวมีมุทตุพูตธาตุแล้วแววไวจะสามารถที่จะอ่านจิตอ่านใจอ่านกรรมอ่านกิริยาอ่านความหมายนอกจากอ่านกรรมกิริยาแล้วอ่านความหมายด้วยความหมายของกรรมความหมายของธรรมะกรรมอันนี้มันเป็นธรมนนนน ร, รมะกุศลหรืออกุศล คุณมีภูมิเท่าไรคุณก็วินิจฉัยได้เท่านั้นถ้าคุณฝึกปรือคุณเก่งขึ้นเฉลียวฉลาดลึกแหลมขึ้นคุณก็สามารถวินิจฉัยได้ลึกแหลมขึ้นเท่านั้นตอนนั้นเท่านั้นจากตัวคุณเองฝึกจะเอาความฉลาดของอาตมาไปใส่คุณไม่ได้หลอกขายเป็นซอฟต์แวร์เหมือนกับอย่างของนายบีเกตไม่ได้ไม่ได้หรอก เอาของอาตมาเอาซอฟต์แวร์อาตมาไปขายให้คุณนี่อาตมาวินิจฉัยได้ขนาดนี้นะอะคุณก็ซื้อเลยซอฟต์แวร์นี้เอาไปใช้ไม่ได้ของใครของมันเพราะงั้นถ้าใครไม่เชื่อก ร, รมไม่เชื่อธรรมมาไม่เชื่อสิ่งที่ฝึกพวกนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่จะเจริญเป็นไปไม่ได้ที่จะพัฒนาสรุปอีกทีหนึ่งคนเราเกิดมานี่เพื่อที่จะถูกหลอก หรือพืชที่จะหาความจริงเกิดมาเพื่อเท่านั้นเอาละ ว, วันนี้ตอนรับปีเอาคอสอเข้ามา2 0 0พก็ได้แต่เลขไม่สวยเท่าของเราหรอกของเรา 5, 4, 3สมสวยกว่าขึ้นใหม่ในสี่ 5, 4, มโอ้โหขึ้นปีใหม่ 5, ้าสสวยกว่า 2, 0, 0, 0, 0โอ้มันจะเป็นงามมาหลายศูนยมันก็เลขตายมันซ้ำๆอยู่ตรงนั้นศ 0, 0 ของเราห้าส่ามมลลีลางามนะเอาเขาเข้าก็สองเหมือนกันได้ว่าไป2อ0พก็ก็สองเราก็2เหมือนกันสองพเหมือนกัน 2,000 กว่าของเราส 5, 4, หสนะจะขึ้นปีใหม่นี้เนี่ยไปตัดสินใจนะว่าคุณจะเกิดมาเพื่อถูกหลอกหรือคุณจะเกิดมาเพื่อหาความจริงจงนำชีวิตไปแล้วคุณต้องนำให้ถูกนะ คุณจะนําชีวิตไปสู่การถูกหลอกหรือจะนาชีวิตมาสู่การหาความจริงให้ชัดให้ชัดทําไมอาตมาถึงเปล่งกล่าวอย่างบังอาจที่จึงกล่าวอย่างอาถานเพราะในปีใหม่นี้ตั้งใจให้ดีๆรับปีใหม่รารับด้วยตั้งใจที่จะ ทำชีวิตคุณจะเกิดอีกกี่ชาติก็ตามคุณเกิดมาเพื่อถูกหลอกกับเพื่อหาความจริงต้องรู้ตัวเราเองต้องถางก่อนเลยป ร, ป, ร ป, รเประเด็นแรกประเด็นแรกคุณกณจะเกิดมานี่จะมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะไปถูกหลอกหรือจะไปหาความจริงและคุณกำลังนำพาตัวเองไปสู่การถูกหลอกหรือการไปหาความจริงคุณก็ต้องรู้ทิศทางที่จะไปถูกหลอก ก็คือทิศทางที่จะไปฉลาดอาวิชาทิศทางที่จะไปหาความจริงได้ก็คือทิศทางที่จะไปหาวิชาพอมาถึงวิชาแล้วเนี่ยวิชาของพระเจ้ามี9หลักหนึ่งฌานอาตมาจัดฌานเป็นหนึ่งวิชาแต่ที่เ็าเรียนกันมานั้นแมีวิชาแปดแต่ตมาเติมฌานเป็นวิชาหนึ่งวิชาต้นเลย ถ้าคุณไปอ่านพระเตปิดกเล่ม9าเล่มเกคุณอ่านไปเถอพระพุทธเจ้าสอนแล้วเสร็จจะมีหนึ่งภาคที่เรียนรู้มีนิทานมีเรื่องราวอะไรก่อนเสร็จแล้วท่านก็จะสรุปลงหาฌานวิธีปฏิบัติสํารวมอินทร์เมื่อสํารวมอินทร์แล้วก็จะเกิดฌานแล้วก็เกิดวิชาอีก แปดประการต่อจากฌานสํารวมอินทรีย์ก่อนไปอ่านเลยทุกสูตรเลยคุณจะมีนิทานมีเรื่องราวอย่างไรก่อนเสร็จแล้วพอต่อจากนั้นก็จะพระพุทธเจ้าจะบอกหลักวิชาจะบอกทฤษฎีของศาสนาพุทธในเล่มเก้านี้เป็นทฤษฎีของศาสนาพุทธเต็มๆในเล่มเก้านี้ทุกสูตรแล้วซ้ํำซากทุกสูตรด้วยว่าศาสนาพุทธอยู่ตรงนั้นก่อนๆเนื้อเนื้อ ที่อาตมาจะเขียนศาสนาพุทธหนังสือศาสนาพุทธนี่อาตมาจะถอดมาจากพระไตรปิฎกเล่มเก้านี่แหละเป็นใหญ่นอกนั้นข้อย่อยข้อปลีกที่จะเอามาอธิบายเสริมมามาเป็นหลักเป็นวิชาข้อปลีกข้อย่อยทั้งนั้นหลักแท้แกนแท้อยู่ในเล่มเก้านี้สมรวมอินทรีย์แล้วก็เกิดฌานแล้วก็เกิดวิชาอีก8เพราะนั้นคุณเริ่มสารวมอินทรีย์เป็น คุณก็จะเริ่มเกิดฌานฌานรังพุทธนะฌานลืมตาเกิดจากการสรมบวรอิตรี่หกเกิดจากมีผัสสะเป็นปัจจัยท่านอธิบายไว้ายาวในหนังสือพระไตรปิฎลเล่มเก้าน่นนะอ่ามีสัมผัสเป็นปัจจัยให้รู้ทั่วไปนี่แหละคือหลักโพธิปัจเจตธรรมนี่แหละหนักโพธิปัจเจตธรรมนี่แหล ะ, ะมีสติปัญญานมีผัสสะทั้งหสํวรมิตรี่หกรู้ไปถึงจิต ถ้าคุณเกิดยานไปพร้อมกันเรื่อยๆฝึกๆแล้วเกิดยานเกิดรู้ตัวเกิดอ่านอ่านกรรมกริยากายเกิดอ่านอาจาเกิดอ่านจิตอ่านจิตเป็นนั่นแหละเริ่มต้นเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมของพุทธถูกต้องอ่านจิตในการลืมตาโร่งๆเนี่ยจนจิตของคุณเกิดสภาพที่เข้าใจอ่านวิจัยออกวิจัยจิตออกจับอาการอารมณ์ของจิต มันโกรธมันโลภมันเป็นยังไงมันเป็นกุศลอกุศลมันเป็นยังไงวิจัยได้มีธรรมมาวิจัยอ่านจิตแยกวิจัยวิเคราะห์จิตของตเองออกจับได้ขณะปัจจุบันนะรำมีชีวิตอยู่เป็นปัจจุบันนี่ยกำลังจะยืนจะเดินจะนั่ ง, จ ะ, งจะนอนจะกินจะขีจะ่จะเยี่ยวจะทํางานทําการจะเอียวแขนไกวขาจะอุจจระจะปัสสาวะทนว่าไว้หมดเนี่จะทําอะไรก็แล้วแต่อยู่ในอิรยิยาบถทุกอิรยิยาบถแม้หายใจสันจ้นแน้วหายใจออกยาวหาใออยาหาใจเข่าออกส่อนยาวยังไงรู้ขันรู้ยาวรู้หายใจแรงหายใจ เบาหายใจอย่างไรรู้หมดรู้ละเอียดแล้วก็รู้อารมณ์ที่ประกอบกับทุกอิริยาบทวิจัยออกวิจัยได้เมื่อคุณวิจัยจิตใจเป็นตั้งแต่คุณเริ่มต้นรู้จากเล็กๆน้อยๆก็าตามจนกระทั่งรู้ละเอียดรู้มากรู้เยอะขึ้นคุณอ่านวิจัยได้แล้วคุณวิจัยทุจริตหรือวิจัยเหตุปัจจัยวิจัยเหตุที่มันพาชั่วได้ว่าสมุ ท, ทยัยอารมณ์ชั่วนี้อย่างน้อยเรางดระงับโดยวิธีวิคัมพนะ วิธีกฎคมวิธีสมถะกฎมนุษย์ก็เป็นวิธีง่ายๆเป็นอัตโนมัติมนุษย์ย่อมทําอยู่แล้วจากนั้นคุณก็หัดรู้ด้วยเหตุผลมันจะเกิดก็เกิดอยู่รู้มันเกิดว่าอารมณ์ไม่ดีเกิดแล้วเราก็ต้องใช้ปัญญาใช้เหตุผลใช้หลักฐานความจริงเข้าไปทําให้กิเลสนี้มันจางคลาย มีเหตุผลความหมายด้วยความฉลาดเฉลียวด้วยน้ำหนักของความฉลาดที่รู้ลึกรู้ซึ้งว่าพโทไอ้นี่ชั่วมันจะมาเกิดกับเราทำไมน้ำหนักของความเชื่อเชื่อมัน่นเชื่อถือเชื่อความจริงว่าถ้าอาการอย่างนี้เนี่ยมันเกิดมันไม่ดีไอ้กิเลสมันยอมอ่อนตัวลงเพราะอำนาจของปัญญาไม่ใช่เรื่องของการกดข่มดื้อ ฉันไม่รู้แต่ฉันเห็นหน้าเจ้าไ อ, อ, อความอารมณ์ไม่สุขอารมณ์ไม่ค่อยสบายฉันก็กดข่มมันเลยไม่ดูหน้าดูตามันไม่มีเหตุไม่มีผ ล, ไ ม, มผลไม่มีหลักฐานความจริงอะไรไปทําให้มันจางคลายอันนั้นเรียกว่าสมถะแต่ถ้าด้วยมันจางคลายด้วยเหตุด้วยผลด้วยหลักฐานความจริงด้วยความเฉลียวฉลาดของเราแล้วโอ้เอน็นกิเลนี่มันเจอกับปัญญาของเรามันจางคลายอันนั้นคือวิปัสสนา กิเลสลดด้วยปัญญาเรียกวิวปัสนากิเลสลดด้วยการกดข่มด้วยสมถะด้วยการวางดยการลืมสมถะลืมตาก็มีอย่างสายธรรมุทธธาตเนี่ยเอาคาถาเอาภาษาว่วางว่างปล่อยทุกอย่างว่างปล่อยวางวางวา ง, วางไม่เอาอะไรลืมลืมมันทิ้งทงอย่าไปเอาชั่วดีไม่เอาทั้งนั้นทิ้งโยนไปเลยโดยไม่วิจัยดีไม่วิจัยชั่วไม่วิจัยเหตุผลไม่วิจัยสิ่ง ที่เป็นสัจจะจริงๆมันก็ไม่ได้วิจัยจริงๆเลยวิจัยสัจจะจริงๆแล้วคุณจะมีปัญญาซ้อนและความจริงนั้นจะมีความจริงของสิ่งดีสิ่งไม่ดีสิ่งไม่ดีจะแพ้สิ่งดีด้วยเหตุผลด้วยความรู้แจ้งด้วยความจริงที่ชัดแท้จำนนต่อความจริงอาตมาทาชั่วไม่เป็นเมื่อวานนี้เล่าให้ฟัง เทศในฟังว่าอะไรอ่ะอัตมาทําชั่วต่างๆหัดแล้วฝึกแล้วมันก็ไม่ได้ฝึกชั่วฝึกยังไงก็ฝึกไม่ขึ้นฝึกยังไงก็ฝึกไม่เป็นที่ยกตัวอย่างให้ฟังนี่นะไม่ใช่ว่าอวดตัวอวดตนอะไรหรอกคุณของคุณแต่ละคนก็มีบ้างมากมากน้อยๆยถ้าคุณได้สั่งสมได้ฝึกอย่างนี้แหละมันจนกระทั่งมัน มันมีฮิริโอตปะมันอายต่อชั่วชั่วนี้มันถึงแม้ว่าเราจะถูกหลอกอาตมา ถ, ถูกสังคมหลอกนะชาติก่อนๆอาตมาก็ฝึกมาแล้วไม่ทําแล้วพอมาชาตินี้เกิดอแวแ้มาแล้วก็เหมือนกับคนในโล ก, กลืมตา ม, มาออโล ก, กีเขาก็ครอบงําเราสิ่งจริงของเรายังไม่เกิดอาตมาเรียกมันว่าลิงลมอมก้าพองถูกเขาหลอกเขยา่าเขยา่าแล้วก็เมาก็โลอ้อต้องมาเป็นงี้เหรอต้องมาล่าลาบยศทันเสิร์โล ก, กีสูงงี้เหรอ อ๋อไปที่ยดีสุบุรีมันสุขกละกินเหล้าเมายามันสุกแล้วก็เขากรหลอกเราเราก็ลงเหมือนกัะลิงลมลมเขาพองคนไม่มีสติสัพพัญญะคนไม่มี ส, สติสตังค์คายงันเบอรกับโลกเขามาก่อนกว่าจะรู้ตัวก็ต้องหลายสิปีนั่นน่ะมันทุกคนจะเจออย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันพอเกิดมาเป็นเจ้าชายศีรษะถูกพระราชบิดามอมเมาไม่ให้เจอความทุกข์เลยไม่ให้พบความทุกข์เป็นยังไง โดยเฉพาะทุกอริยสัตว์เกิดแก่เจ็บตายไม่รู้เลยพระพุทธเจ้าโง่ถึงขนาดโง่ามาตั้ง20กว่าปีนะพระพุทธเจ้าเนี่ยฟังให้ดีนะอัตม า, า, าว่าพระพุทธเจ้าโง่เป็นพยานด้วยนะอัตม า, า, าว่าพระเจ้าพระเจ้าชายเสด็จถาโงา่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าโง่พูดผิดไปเกิดมาเป็นเจ้าชายเสธ็จถากถูกพระราชบิดาปิดกัน้นไม่เห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไม่เห็นเลยไม่รู้จักตายเป็นยังไงยังไม่รู้จักคิดดูซิคนอ่ะ อายุ20แล้วยังไม่รู้เลยแล้วจะโง่ขนาดไห น, นคนเรายังไม่รู้จักคนแก่อายุยี่สิบกว่าไม่รู้จักคนแก่ไม่รู้จกกัจกคนเจ็บคนป่วยคิดดูสิถูกพระราชบิดาปิดบังมอมเมาพลางหมดเลยโอ้ยอยู่แต่ในเมืองสวรรค์ที่อะไรก็ไม่รู้ที่จะมอมเมาถ้าตมา ถ, ถูกกั้นอยู่อย่างนั้นอัตมาทรงใส่เสร็จเมื่อไนไม่รู้ตัวหรอกแต่บุญบา ร, รมีของเราไม่ถึงขนาดนั้นไม่มีอุปสรรคถึงขนาดนั้น ถ้าอุปสรรคถึงขนาดนั้นนั่นเป็นอุปสรรคนะอุปสรรคในหมายเขามาอยู่กับสวรรค์นะอุปะแปลว่าใกล้นะศักข์แปลว่าสวรรคนะ์อุปสรรคในแปลว่าสิ่งที่ใกล้สวรรค์อย่าไปกลัวอุปสรรคต้องรู้ทันแต่ท่านถูกกันอย่างนี้น่สิบกว่าปีท่านถึงจะไปเห็นสุทาสาน ต, ต้องมาเห็นจนได้เห็นคนแก่อะไรเนี่ยนายชันหน้าบอกคนแก่คนเหรอเออใช่ ไม่เออหรอกฉันนะ่ะต้องไม่เออต้องพูดให้เป็นภาษาพระเอ่อเป็นภาษาพูดกับพระเจ้าพระเจ้าชายนี่เนาะน่คนแก่คนแล้วเราคนว่าคนเหมือนอย่างนี้เหรอใช่ท่านก็จะเป็นอย่างนี้ท่านก็จะแก่เงี้ยโอ้โหเท่านั้นแหละทุกโอ้โหคนต้องมาเป็นนงงี้แหละทุกมันเกิดลึกละมันยานลึกมันเข้าไปหาจิตลึกละมันกระทบจิตลึกละ ้คนเราเนี่ยเพราะว่าท่านสแสวงหาหนีความเกิดแก่เจ็บตายมานานแล้วท่านบรรลุแล้วท่านรู้แล้วท่านมีบญาณแล้วท่านเกิดแล้วปุ๊บท่านรู้แล้วทุกท่านทุกมากเลยอตมาเคยเล่าให้ฟังมาแล้วว่าอตมาเคยทุกอย่างนึงคือการตมากลัวความตายอตมาเคยเกิดอยู่สองช่วงในชีวิตช่วงหนึ่งเด็ก โอ้โหตอนนั้นยังจำได้อยู่ซีสเกตแม่ยังไม่ได้ย้ายไปอยู่มาอุบวปุ๊บอ้วนยังอยู่ซีสเกตยังจำได้เลยอาการจิตโอ้โหมันกลัวกลัวความตายกลัวคนตายเห็นก็หามศพผ่านบ้านผ่านอะไรโอ้กลัวกลัวเราจะตายกลัวจะตายกลัวกลัวจริงๆเลยกลัวไม่ต้องนอนหลับต้องไปหาทางนอนให้หลับสมัยนี้คนต้องกินยาบ้า ต้องหาทางให้หลับไปได้แ้วหลับต้องหลับไปจนกระทั่งหลับจนกว่าจะตื่นขึ้นมาจึงจะคลายคลายกลัวกลัวจริงๆกลัวตายกลัวจะตายอย่างเขาอ่ะนั่นะช่วงหนึ่งยัง จ, จำได้เพรช่วงนั้นเป็นเด็กเสีเกตต่างนั้นก็พอมันไม่รู้มันหายเมื่อไหร่ะนะมัน่อ ย, ยังช่วงเมื่อไหร่ไม่รู้แล้วมากลัวอีกทีหนึง่งตอนช่วงที่ทำงานแล้วเป็นหนุรับผิด ช, ชอบแล้ว ชาบ้านก็อยู่ที่พิชัยกลัวมากเลยกลัวแล้วมีเหตุมากลัวจะเป็นมะเร็งแล้วจะตายตอนที่ทำงานใหม่ๆอยู่พร้อมหน้าน้องนุ่งอยู่เลี้ยงน้องเลี้ยงนุ่งอยูกยกอ่กลัวเราจะตายก่อนกลัวเราจะตายน้นองนุ่งก็อยู่เพราะอาตมาต้องเลี้ยงน้องนุ่งต้องดูแลอะไรต่ใต้องรับผิดชอบอะไรอยู่กลัวจะตายกลัวจริงๆเลยโอ้โหเหมือนกัน จะให้ขายกลัวต้องหาทางนอนให้หลับหาทางนอนหลับอาตมาก็ไม่เคยคิดถึงยาในตอนนั้นมันมีแล้วแหะยานอนหลับมันมีกันแล้วแหะก็ไม่ได้เคยคิดถึงยานอนต้องพยายามนอนให้หลับนอนให้หลับตลับแล้วตื่นมาได้จะค่อยยังชั่วแต่เสร็จแล้วก็ยังกลัวอีกแหละเพราะเกิดอะไรอีกต้องกลัวตรงนี้อีกกลัวอยู่พักใหญ่เลยมีอยู่สองช่วงในชีวิตกลัวตายนีย มันกลัวบอกไม่ถูกมันกลัวจริงๆนะกลัวอมันจะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อัตมา ถ, ถึงมานึกถึงว่าโอโ้พระพุทธเจ้านี่นะเจอความแก่ท่านก็กลัวเจอความเจ็บท่านก็กลัวเจอความตายท่านก็กลัวเป็นเทวทูตไอ้ลักษณะนี้ก็เป็นเทวทูตของเราเหมือนกันบารมีอัตมาแค่นี้ก็แค่นี้ถึงบอกเออมันเดิ น, นดำเนินรอยเหมือนกันนะมานึกได้ตอนหลังเนี่ยมาเข้าใจว่า อ, อ๋อมันก็คล้ายๆกัน แต่มันก็ไม่ก็แต่เท่าทันเรนไม่เท่าพระพุทธเจ้าเรแต่ว่ามันก็มีอาการอะไรพวกนี้กลัวตายอาตมาไม่เคยกลัวแก่แต่กลัวตายเจ็บก็ไม่กลัวอะไรมากมายเคยป่วยเจ็บอะไรก็ไม่เคยกลัวกลัวตายเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าทัางกลัวหมดกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายกลัวอะไรทั้งสนนี่เป็นสิ่งที่เกิดที่จิตวิญญาณ สั่งสมไปแล้วอาตมาที่บอกว่าสั่งสมแล้วอาตมามาทำชั่วทําไม่ได้ที่เล่าไปสู่ฟังไม่ใช่เล่าเล่นๆ น, นะคุณมาฝึกถ้าคุณไม่ฝึกคุณเอาไม่ได้ไปซื้อซอฟต์แวร์มาใส่ไม่ได้บอกแล้วนะแล้วก็จะโกงๆเอาก็ไม่ได้โกงๆเอาตีตัตงเอาไว้มันเป็นมันก็เป็นไม่ได้นะไม่ตีตังเอาไม่ได้นะมันสัจจะเราจะต้องไปฝึกฝนจนกว่าคุณจะเกิดศรัทธาพระอธิบายถึงศรัทธามาเมื่อกี้มึนแค่สัจทินรีคุณต้องสั่งสมขึ้นมาคุณจะเชื่อ จะเชื่อได้ก็เพราะที่คุณได้ภาคเพียรมีองค์ห้าคุณถึงขั้นต้องวิริยะถ้าคุณเชื่ออย่างนี้และคุณต้องเกิดวิริยะถ้าไม่มีวิริยะภาคเพียรที่จะทำคุณยังไม่มีอินทรีย์เลยคุณเชื่ออย่างเมืองไทยเป็นพุทธศาสนิกชนเชื่อถือาศาสนาพุทธเชื่อถือเชื่อถือบางคนเชื่อถืออย่างโอ้โหนำลายไหล เชื่อมากเชื่อขนาดที่จะใครอย่ามาแตะชนะใครไปขี่คอพระพุทธรูปนี่จะฆ่าเลยห่วงแหนาศาสนามากหวงแหนจริงๆเชื่อถือแต่ไม่เชื่อฟังไม่เคยมีอินทรีย์ในขนาดระดับเชื่อแล้วมีกําลังวิริยะกําลังในระดับขั้นที่สองศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปพูดถึงเรื่อง สติคุณก็เป็นสติปุตุชนอยู่อย่างเก่าสติปุตุชนคืออะไรเวลาเขากอัทวนได้สติก็คือมีสติธรรมดาเนี่ยไอ้โจนมันจะปล้นมันก็ต้องมีสติมันจะต้องยิงให้ถูกคนมันจะปล้นตรงไหนมันคิดมากแล้วมีปัญญาคิดวางแผนอะไรปล้นมาปล้นต้องให้ถูกตามแผนมันผิดแผนก็แก้ปัญหา้วยปัญญาฉลาดมีสติจะยิงปับ๊บต้องให้ถูกูกเป้า ตั้งใจเลยไอ้คนนี้จะฆ่าให้ตายนะถ้ามันจะมาขัดขวางการปล้นจะต้องฆ่าให้ตายทันทีมันก็ต้องฆ่าให้ถูกหัวใจหรือให้ถูกที่ตายยิงให้ถูกเป้าที่สําคัญตรงไหนทําสำคัญได้มันเอาถ้าบอกว่าเอ็งไม่ได้ถึงขั้นฆ่าให้ตายมันจะกิดคุกมันจะหนีลาบากมันจะต้องฆ่าแค่จริงที่ขายิงที่แขนยิงให้เจ็บปวดมันตามไม่ได้ไม่ทันมันก็มีสติไอ้โจรปล้นมันก็ต้องมีกําหนดของมันมันมีสติคนจะโกงคนจะทําชั่วมีสติทั้งนั้นน่ะน่ะ จะฉีดยายาบ้าให้ตัวเองจะฉีดเฮโรอีนให้ตัวเองก็ต้องมีสติไม่มีสติจิ้มก็ไปได้ไงสติปุุชนทำตามกิเลสสรุปแล้วสติปุตชนทำตามกิเลสเป็นอำนาจสติกลายาในช น, นะระลึกมีสำนึกบ้านสำนึกถึงดีถึงชั่วถ้าสติปุตชนเต็มๆไม่ะระลึกถึงดีถึงชั่วอะไรเลยทำตามอารมกกิเลสบงการทุกประกาศ มีสำนึกนิดหนึง่งเรียกว่ามีกัลยาณ์นิดนึงดีขึ้นมาหนึน่งถ้ามีสำนึกมากขึ้นมีกัลยาณะมากขึ้นกัลยาณธรรมมีความระลึกดีมากขึ้นสำนึกดีมากขึ้นถ้ามีสำนึกดีแล้วคุณมีกำลังของวิริยะความเพียรสำนึกดีและคุณก็ได้ฝึกความเพียรคุณก็เชื่อถือมีกำลังความเชื่อศรัทธามากพอ คุณก็จะวิริยะเพียนเออเพียนมหาทางดีเถอะสำนึกดีคุณมีกัลยาณนะคุณมีการสำนึกดีขึ้นมหาดีคุณก็จะเพียนคุณก็จะมีความรู้ตัวเฮ้ยแล้วเราทาอะไรตอนนี้รู้ทางกายรู้ทางวาจารู้มีสติรู้พร้อมทั้งหมดทั้งตัวเรากำลังจะทำกรรมอะไรคุณก็มีสติศรัทธาวิริยะสตินี่เป็นสติ ทำสติสัมพอชงมิยังไม่ถึงสัมพอชงสตินี้ยังไม่ถึงสัมพอชงมีสติที่เป็นสติปัฏฐาน4มีสติรู้กายรู้องค์ประชุมคุณอยู่กับองค์ประชุมอย่างไรมีเวทนารู้อารมณ์จิตจิตของเรากําลังมีอารมณ์ชั่วยิ่งคุณศึกษาโพธิปักเกธรรมศึกษาวิธีปฏิบัติแบบพุทธยังลงไปรู้มีธรรมวิจัยสัมพอชงลงไปรู้จิตวิจัยวิเคราะห์อาการของจิต อ๋อนี่มีเหตุเรากําลังมีตัวโกรธมีกําลังอาฆาตไอ้คนนี้นี่อาฆาตเมื่อ น, นั้นเม น, นีอะไรถ้ามันเร็วมีมุทุภูต ธ, ธ, ธาตุมีความเร็วความไวของจิตมันก็จะมีปัญญาแววเข้าไปอ่านเพราะอ่านจิตวิจัยเคราะไอ้คนนี้มันเคยอาฆาตกันมาเมื่อ น, นั้นเม น, นี้ถ้าชาตินี้ก็จําได้ถ้าชาติไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณสามารถอย่างรู้ได้มันก็จะไวไปเลยเป็นบุเพลบางคนนี่บอกโอ้ยคนนี้ถ้ามีญาณลึกๆแล้ว โ อ, โอ้ไอคนนี้ตั้งหลายชาติเลยเว้ยฆ่าแกงกันมาแต่ถ้ามีสํานึกแล้วมันก็บอกหยุดเถอะเอาหสีเถอะเลิกเถอะคุณก็จะบอกตัวเองและคุณก็จะเพลาก็จะเปลี่ยนท่าทีเพราะสติไปรู้ธทรรมแล้วคุณก็จะปฏิบัติสติปัฏฐานสี่มีกายเวทนาจิตรู้จักธรรมะถ้ายังจะทําด้วยอํานาจโกรธโลภหลง ในธรรมะนิวรณ์5คุณก็ล้างนิวรณ์5คุณรู้จักเหตุคือตัวนิวรณ์5มันมีโกรธโลภหลงมีอาการมาร้ายอะไรคุณก็วางเบาบางวิริยะสติดีคุณก็ทําเรื่อยๆมีสติปัฏฐานสี่มีธรรมปัฏฐาน4มีสมมาปัฏานสี่มีอิทธิบาทสีปฏิบัติจนกระทั่งสติเนี่ยเป็นตัวกลางที่คุณปฏิบัติพอเริ่มปฏิบัติเป็นสัมมาสมมาสมาขึ้นเรื่อยๆสติก็จะดีขึ้นเรื่อยๆสังสมลงเป็นสมาธิ สั่งสมลงเป็นสมาธิสัทธาวิริยะสติสมาธิสั่งสมลงเพราปฏิบัติสติปัฏฐานสี่สมปทานสี่อธิบาทสี่สั่งสมได้อินทรีย์เกิดขึ้นมาเรื่อยๆเื่อย ๆ, ๆ่อๆสันติอินรีย์เป็นสมาธิอินทรีย์ตั้งมั่นเป็นสมาธินสีตั้งมั่นลงเรื่อยๆจนกระทั่งคุณก็จะมียานอยู่ทั้งหมดนี่แหละยานปัญญานี่ก็คือปัญญาปัญญินรีปัญญาพละหรือปัญญามันจะเกิดจากธรรมวิจัยสมโพธิชง สมมาทิฏฐิมักคังคะนี่พูดแล้วพุที่ยังไม่เข้าใจองค์หกของสมมาทิฏฐิสมมาทิฏฐิมีองค์หกคือปัญญาปัญญินีสีปัญญาพละธรรมวิจัยสมโพธิชงสัมมาทิฏฐิมักคังคังมักคังฆะหรือมักขังคั ง, งกันจะอังจะอะอะไรก็มัมีปัญหามากหรอกนะแปลเดียวกันนะ มีองค์แห่งมรรคคุณปฏิบตัต<ม>ิองค์แห่งมรรคอยู่พร้อมกันแล้วมีธรรมวิจัยสัมผัสชงสมาธิทีของคุณจะเจริญขึ้นเจริญขึ้นในเราคิดอะไรแนตะ่ต ม, มาอธิบายสมาธิตัวนี้อยู่บ่อยๆตอนนี้สมาธิคุณจะเจริสมาธิคุณเจริญขึ้นเจริญขึ้นสมาธิิมันเจริญขึ้นไปเป็นปัญญาสั่งสมลงเป็นปัญญาและปัญญาจเจริญขึ้นเป็นปัญญินทรีย์มีกําลังของปัญญาสูงขึ้นสูงขึ้นปัญญาของศรัทธาวิรยิยสติสมาธิปัญญานี่แหละ ปัญญามันก็จะเกิดจเจริญขึ้นเป็นปัญญินทรีย์ปัญญาพละเพราะคุณปฏิบัติอินทรีย์เนี่ยก็จเจริญเจริญขึ้นเรื่อยๆมันก็จ ะ, จะเจริญขึ้นเป็นพละหเป็นศรัทธาพละวิ ร, ยริยะพละสติพละสมาธิพละและปัญญาพละสั่งสมลงไปเป็นความเกิดความเป็นความมีจากการปฏิบัติของคุณจึงสั่งสมเกิดขึ้นมาได้ไม่ใช่ไปซื้อตามศูนย์การค้า เรื่ไปซื้อตามดีพา r t m e n t ต่างๆแลยคุณก็ไปซื้อเอาศรัทธาไปซื้อเอาวิริยะไปซื้อเอาสติไปซื้อเอาสมาธิไปซื้อเอาปัญญามาได้ไม่ได้หรอกต่อให้ของคุณมีแล้วคุณจะแบ่งแบ่ ง, บงเป็นมรดกให้ลูกก็ไม่ได้ลูกมีแล้วจะบอกว่าอ้าพ่อแม่อุทิศเป็นส่วนกุศลส่วนบุญส่วนดีเอาไปเอาสติไปห้าหน่วยเอาศรัทธาไปอีก10หน่วย เอาปัญญาไปอีกร้อยหน่วยให้แม่ให้พ่อคุณก็ให้ไม่ได้ของใครก็ของมันต้องปฏิบัติต้องสั่งสมเอาทุกคนนะที่บอกว่าลูกไปบวชและพ่อแม่ก็จะได้เกาะชายผ้าเหลืองเกาะชายผ้าเหลืองนะั่นไปเกาะให้ตายยังไงก็ผ้าเหลืองอยู่ตรงนั้นแหละ <c oughs> ยังไงหอเหลอิเหมือนนางจีนหรือเปล่าพาหอขึ้นสวรรค์มันไม่ใช่ นั่นมั น, ม, นมันพูดเป็นภาษาโลกโลกนะเกาะชายผ้าเหลืองหมายคําว่าเมื่อลูกบรรลุธรรมบวชแล้วบรรลุธรรมก็เอามาสอนพ่อแม่เหมือนภาษารีบุตรไปสอนแม่โปรดเหมือนพระพุทธเจ้าป้องมาโปรดพระราชบิดาจนเป็นพระอรหันต์ภาษาดิบุตรก็ไปโปรดมารดาจนเป็นพระโสดาบันอะไรเงี้ยนั่นละเกาะใชายผ้าเหลือง ไม่ต้องบวชก็ตามก็ได้ถ้าคุณบรรลุเป็นพระโสดาสกิธานาคาคุณก็ให้บวชคือการปฏิบัติบรรลุบวชคือการปฏิบัติบรรลุเพราะฉะนั้นจะถึงขั้นบวชมาต้องเป็นรูปแบบได้โกนหัวคลองผ้าทําพิธีผ่านเข้ามาเป็นนักบวชอย่างนี้ถ้าไม่ปฏิบัติจนบรรลุก็ไม่ชื่อว่าบรรไม่ชื่อว่าเป็น เป็นสมณะที่แท้หรือว่าเป็นผู้ที่ได้บวชที่แท้บวชที่แท้น่าจะต้องให้เกิดพัฒนาตัวเองขึ้นมาทางกายวาจาใจโดยเฉพาะใจใจเกิดโอปปาติกายโญนิเกิดการเกิดแท้เป็นแ ท, เนแท้เป็นโสดาสกิทานาคาเพราะถ้าคุณเองมีภูมิธรรมบรรลุทำเป็นโซดาคุณก็เป็นพระคุณก็เป็นสงฆ์พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าสวดในบทสังฆ ค, คุณเนี่ยบอกว่า ผู้ใดที่ได้ห่มผ้าเหลืองได้ห่มผ้าจีวรผู้นั้นคือเป็น อ, องค์เป็นเป็นคนของเราแปดอย่างหรือสี่สีอย่างาจัตตาริปุริสะอะไรอย่างนั้นนะะอัตถุริสะอย่างนั้นนะไม่ใช่บุคคลแปดบุคคลสี่นั้นไม่ใช่หมายความว่าผ่านการบวชคือได้ครองผ้าจีวรผ่านพิธีกรรม บุคคลแปบุคคลสี่เป็นคนของเราเป็นสาวกสังโฆเป็นสงสาวกเพราะฉะนัสงสาวกหมายถึงโสดาสกิธานาคาอรหันถ้าจะแบ่งเป็นมรรคก็มีมรรคมีผลเป็นแปดถ้าไปแบ่งแตเป็นเต็มๆผลเลยก็โสดาสกิทานาคานั่นคือจัตตาริบุคคลสนั่นคือสงสาวกอุริเจ้าแม้คุณเป็นคารวะถ้าได้บรรลุธรรมอย่างนี้คือบวช คุณก็เป็นสงสาวกของพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคำว่าสงจึงไม่ได้หมายความว่าเนี่ยอย่างนี้เท่านั้นไม่ใช่สงหมายถึงพุทธบริษัทสงหมายถึงพุทธบริษัทอุบาสกก็เป็นสงได้อุบาสิกาก็เป็นสงได้ถ้าคุณได้บรรลุเป็นโสดาส ก, กิทานาคาเพราะฉะนั้นคนของเราหรือสาวกสังโค สาวกของพระรจ้าที่แท้คือผู้บรรลุโสดาขึ้นไปใครยังไม่บรรลุโสดาขึ้นไปยังไม่ใช่สาวกของพระรเจา้าก็สวดกันอยู่ในสาวกกสังโคหมดสังฆสังคั ง, งก็สวดกันอยู่ น, นี่ยนะสวดกันทั่วประเทศะชาวพุทธสวดหมดนะไม่ใช่ประเทศไทยประเทศอื่นก็กนสวดหมดสองสาวกกสังโคก็บุคคล4บุคคล8เนี่ย มันเป็นคารวะาก็เป็นสง์นะอย่านึกว่าไม่ใช่สงแต่อย่ามีมานะล่ะต้องรู้จักสมมุติสมมุติว่าคุณเป็นคารวะาคุณก็คือคารวะแต่เป็นผู้ที่เป็นสมณะพี่บวชแล้วก็คือบวชแล้วถึงแม้ว่าเราจะเป็นสงสาวกพุทธเจ้าจริงเป็นโสดาสกีทาเป็นอนาคาเขาจริงเป็นคารวะอยู่ก็ตามคุณก็ต้องรู้จักสมมติสัจจะอ่า เมือ่อขบวนจาท่าบอกว่าแม้บวชแล้วผู้บวชนานเท่าไหร่ก็แล้วแต่เป็นสมมุติสงฆ์ผู้บวชใหม่จะบวชวันเดียวได้เป็นพระอารหันต์ก็ต้องกราบขารพสงฆ์ที่บวชร้อยปีบวชมานานกว่าหรือ บ, บวชก่อนคุณวันหนึ่งก็ตามผู้ที่บวชก่อนคุณวันหนึ่งเป็นสงฆ์สมมติแต่คุณเป็นอรหันต์คุณก็ต้องกราบสงฆ์ที่บวชก่อนคุณหนึ่งวันนี้นั่นแหละ ต้องเคารพนับถือเป็นพันเตนี่ต้องรู้จักสมมติด้วยนะนะศาสนาพุทธนิสอนให้คนเปลี่ยนจิตปัญญาเปลี่ยนทั้งศรัท ธ, ธาความเชื่อเปลี่ยนทั้งปัญญาที่เข้าใจสัจจะความจริงอัตมาทำงานมาย9ิบเก้าปีได้ขนาดนี้งานปีนี้เป็นงานที่อัตมาเองอัตมาพยายามถอดตัวถอดตนออกจากงาน ที่เป็นงานพวกเราจะรับผิดชอบนี่บอกบอกกับพวกเราได้แม้แต่สมณะอาตมาก็ไม่ได้พูดไปได้บอกเท่าไหรหรอกแต่ท่านรู้ว่าอาตมาเองอาตมาวางมือหลายหอย่างปีนี้อาตมาเองอาตมารู้สึกตัวเองมากเลยอายุ66รู้สึกว่ามันมันเสื่อมสังขารมันเสื่อมอาตมาไม่เคยปวดเอวปีนี้ปวดเอวไ อ, อก็ปวดเอว ประหลาดยังไงทำไมถึงไอปวดต้องถามหมอแล้วพราะไอที่ไรมันปวดเอวปวดค อ, อเอวเนี่ยไอแล้วต้อ ง, อ ง, องนี่ถ้ามันไอแรงต้องทํานี่ไว้ปวดเล้าเป็นเอวแต่ก่อนอาตมาไม่เคยบวดปวดเอวเพราะเราเคยได้ยินบ อ, อายังไม่ปวดอาตมานั่งทั้งวันทํางานทั้งวันได้ไม่ปวดเอวไม่เคยปวดเอวทางานทั้งนังน่งทั้งวันก็ไม่ปวดเอวทุกวันนี้นั่งทั้งวันก็ไม่ปวดเอวหรอกแต่เอียว ขยับอะไรแต่ใดบางครั้งบางคราวมันปวดเอวได้รู้สึกกล้ามเนื้อของเราไม่เหมือนเก่าจะลุกจะนั่งจะยไม่เหมือนเก่าแล้วสปริงมันเป็นยังไงมันไม่ดีสปริงกล้ามเนื้อมันไม่ดีแล้วรู้สึกเลยปีนี้รู้สึกอายุหกเนี่ยหกสายังไม่นึกว่าจะเป็นอย่างนี้เลยนะยังไม่รู้สึกอย่างนี้นี่เป็นสัจจะเลี่ยงไม่ออกพระเจ้าท่านตรัส อาตมา ก, ก็ยังบอกว่าโอ้พระเจ้านี่ท่านแกนะแต่ท่านก็ยังบอกว่าท่านหนุ่มแต่สุดท้ายทาก็ตรัสกับพระอนนท์อนนท์พระพุทธเจ้าจะปริบิผพานแล้วอนนท์ก็ทูลขออนนท์เราอายุแปดสิบร่างกายเหมือนกับปล้อเกวียนกามไอ้กรงมันก็ผุกรรมมันก็ผุก็พังแล้วนะ เปิยแล้วกรรมก็ผูกกองก็ผูออกเมื่อนรอเกวียนแล้วอนนลท่านตรัสอย่างนี้เราก็ต้องรู้แล้วว่าท่านก็ต้องรู้สึกแล้วว่ามันมันมันผูกก็คือมันต้องสวมสุดโสมแล้วเราจะต้องตายแล้วอนนล อ, อย่ามาดึงไม่เลยท่านอนนลทูลขอร้องขอให้อยู่บอกว่าไม่ได้เราก็ต้องเราก็ ต้องตายเพราะมันเก่ามันแก่จริงๆแล้วพระพุทธเจ้านี่จะอยู่อย่างหน่าสมเพสไม่ได้หรอกแกเหมือนกับคนแก่เนี่ยมันไม่ได้แร้วมันน่าเกลียดมันจะเสื่อมความศรัทธาอาตมาก็ไม่รู้บุญบารมีของอาตมาจะเหมือนอาจารย์ชาหรือเปล่าอยู่แล้วก็งงเออมันน่าสังเวชนะนะมันดูแล้วมันก็มันมัน อาตมาว่ามันรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยดีนะถ้าเราตายไปในสภาพที่ดีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงได้ตรัสว่าคนตายแล้ว ใ, ให้รีบเผายาเอาไว้ถ้าเอาไว้แล้วมันจะดูน่าเกลียดยิ่งขึ้นชูขึ้นหน้าโอ้โหมันจะแทนที่ความรู้สึกที่ดีมันก็จะหายไปกลายเป็นความรู้สึกที่ความรู้สึกสุดท้ายมันไปกรบความรู้สึกดีๆเก่าๆหมดไม่ดีนะ เพราะ้นถาบอกว่าอาตมานี่นะบอกไว้ก่อนมันแย่แล้วเนี่นะอย่าลากอัตมาไว้นะปล่อยปเป็นธรรมตามธรรมชาติควรตายให้ตายนะควรตายให้ตายเถอะอัตมาคิดว่าก็คงไม่แข็งแรงอย่างนี้ไปแล้วก็ไม่แก่ไม่เสื่อมจนกระทั่งคุณไม่รู้มันจะแก่ไม่จะเสื่อมให้คุณรู้นะั่นแหละว่าเออนึ่แก่แล้วมัน กงก็พังกรรมก็พังก็ผุแล้วควรตายแล้วก็ปล่อยนะอย่าไปต่อท่อนั่นทอนี่ต่อน น, นไว้โอ้เสร็จแล้วก็เหีย่ยวลงแล้วก็น่าเกลียดโบเบอตมาว่าตอนนั้นยิ่งความรู้สึกก็ไม่ค่อยได้ค่อยดีอะไรแล้วก็เอาไว้เนี่ยเพราะว่าไอทางการแพทย์เขาเดี๋ยวนี้มันเก่งจริงๆให้คนไม่ตายเลยก็ได้ถ้าคนรวยๆนี่เอาไว้นานเอาไว้เรื่อนไม่ยอมไม่ตายเขาก็เอาไว้สิก็ได้เงินน่ะ เขาก็เอาได้เงินเขาก็ไม่ปล่อยแต่ถอดเมดื่อใดตายเมื่อนั้นน่ะเป็นมนุษย์ที่ใช้อไอวัตถุนี้ช่วยไว้เท่านั้นเองเพราะคนมันรู้หมดแล้วว่าคนมันจะอยู่ยังไงตายยังไงเ้าทำไม่ได้หมดเดี๋ยวนี้นะใช้หัวใจเทียมใช้สมองสมองก็ใช้ไม่ได้งินมากหัวใจพอได้หัวใจปอดตับอะไรพวกนี้ทำได้นะ เพราะก็อย่าอย่าอยากให้อัตมาเป็นอย่างนั้นอัตมาทำงานมาถึงวันนี้ได้แล้วนี่อัตมารู้สึกที่บอกให้รู้นี่เพราะว่าอย่าประมาทอัตมา66ปีแล้วนะนะไม่ร่วมมาบังคับให้อัตมาเขียนเขียนศิลปะอะไรออกมาก็ได้เขาอยากเอไปประกอบเป็นงานศิลปะอยู่ที่เรือเน่เขาไปแสดงงานศิลปะอัตมาเป็นศิลปินบอกให้อัตมาเขียนอะไรออกมาได้ขีดอะไรออกมาก็เอา ขอให้คิดให้เขียนออกมากันเลยกันเพราะอาตมาเรียนจิตกรรมมาโดยตรงเมเจอร์อาตมานี่คือจิตกรรมโดยตรงเรียนม า, นาเรียนไฟอาร์ตเมเจอร์พินทิ้งให้อาตมาเขียนอะไรบอกโถยไม่เขียนมาตั้ง50ปีแล้วมันจะไปเขียนอะไรออกบังคับมันนั่นนะเอากระดาษมาเอาดินสอมา ไม่ถึงก็ขนาดให้ใช้สีให้ใช้ดินสอเท่านั้ น, นะจะดรออิ่งอะไรออกมาอัตมาก็เลยดรออิ่งออกมา ก, ก็ไปติดใส่กรอบไปอย่างดีเลยผูกโบ้ด้วยนะติดไว้ในเรือนั่นล่ละศิลปะอัตมาไปดูเถอะเ พ, พนเดียวรูปเดียวไปดูเถอ ะ, ะแล้วก็ให้ท่านผองไทยติดไฟดิสโกอเอาไว้ตรงนั้นนะสีแป๊บสีเขียวสีแดงเฉพาะ ภาพของอาตมาใส่กรอบไว้ให้ไปดูไว้ไปดูภาพอาอตมาใครดูปั๊บก็รู้แต่ใครจะรู้สึกรู้สึกรึกซึ้งแค่ไหนแล้วแต่นะมันเป็นโอ้โหมันเป็นซูเปอร์แอบสแตรนะมันเป็นซูเปอร์แอบสแตรคุณไปดูเถอะไม่บอกว่าเป็นอะไรยังไงอาตมาอายุขนาดนี้แล้วอย่าประมาทอาตมาจะอยู่กับพวกคุณไปนานอีกสักเท่าไหร่ บอกไม่ได้อาตมาก็พยากรณ์ตัวเองไม่ได้ว่าอาตมาจะอายุเท่าไหร่ตายอาตมาบอกได้แต่ว่าอาตมาจะไม่ยอมตายให้ไวไจะไม่ยอมตายให้ไวพยายามอยู่เท่านั้นเองที่จะใช้อิธิบาตใช้ความใช้อิทธิบาตนี่คือรักษาสมดุลในเรื่องของสรีระ ส่วนอารมณ์อัตมาคิดว่าอารมณ์อัตมาไม่ต้องรักษาอะไรมากเพราะว่าอัตมาไม่ได้วุ่นว่าอะไรก็อารมณ์จะเครียดจะโกรธจะโลกจะยังงน้นยางงี้อัตมาก็ว่าอัตมาไม่มีปัญหาที่จะอารมณ์นั้นทำลายสรีระทำลายชีวิตจะตายเพราะอารมณ์เพราะอารมณ์เป็นเหตุอารมณ์ทำให้เกิดมะเร็งได้ด้วยอารมณ์ทาให้เกิดอะไรต่งตางๆนานาอารมณ์ทาให้เกิดเอสได้ไหม น, นั่นแหะอารมณ์เบาเบาเบาไปที่ได้หาเหตุแล้วก็เป็นเหตุแล้วก็ไปที่ใดเอาเชื้อติดมาอะไรนั่นแหะเป็นอารมณ์เท่านั้นแหะแต่แม้อารมณ์โกรธอารมณ์เครียดอารมณ์ไม่ดีนี่ไม่ใช่ไปหาจากคนอื่นอารมณ์เครียดอารมณ์เกลียดทำให้เกิดมะเร็งเนี่ยมะเร็งไม่ได้ไปได้เชื้อมาจากที่อื่นมะเร็งคือสรีระของเราที่เกิดพลังงานอารมณ์เข้าไปร่วมด้วยวัตถุก็ได้สารพิษก็เป็นส่วนอารมณ์ก็เป็นส่วน ทำให้เกิดมะเร็งได้อัตมาคงไม่ได้ลำบากในเรื่องของอารมณ์แต่สรีระนี่ต้องปรับต้องคอยปรับให้มันพอดีสมดุลให้มันพอดีไม่พักไม่เพียรอย่างที่พรุทธเจ้าท่านตรัสให้มันสมดุลอยู่ดีต้องออกกำลังต้องทำให้มีกำลังเท่านั้นเท่า น, นี้ให้ทำออกท น, นี้ให้ทำงานเท่า น, นั้นเท่า น, นี้อะไรตะแต่ก็แล้วแต่ งานก็วางมือลงไปเยอะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนงานที่เราทำนี่เป็นงานที่อาตมาเ็าว่าที่อื่นทำไม่ได้ง่ายๆนะอาตมาขอบคุณปีนี้นี่พวกเราเข้าใจเยอะและมาช่วยได้เยอะมาช่วยออกร้านร้านปีนี้รู้สึกว่าดีมากเลยนะมีร้านของพวกเราเองอยู่เจ้าหนึ่งอาตมาได้ข้อมูลมาว่าเอาของเก่ามาโละมาขาย เอาของเก่ามาลาะมาขายโดยอาศัยงานนี้ก็เลยถูกกรรมการเขาระ ง, งับไปหนึ่งร้านนะร้านนั้นเอาอย่างเงี้ยซึ่งอย่าทําเลยมาแฝงมาปนมาอาศัยอันนี้มาหาประโยชน์ใส่ตัวอันนี้มันเป็นมันเป็นความไม่ดีนะเป็นอกุศลธรรมอย่าด่าทำพวกเรานอนนั้นทําด้วยบริสุทธิ์ใจเถอะสิ่งนี้เป็นการพิสูจน์ตัวเราเองพวกเราเองด้วยว่าตลอด ชีวิตมาปีหนึ่งเรามาทําทีหนึ่งมือก็ตั้งเป้าว่าเราจะเสียสละแต่พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายเขามาพอถึงปีนี้เอาละปีใหม่เราจะต้องตั้งตนเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินเพื่อที่จะได้มาออก ต, ล า, ตลาดนี่ก็เลยไปคีโลบสัดส่วนหนึ่งแล้วก็มาค่อยมาสละตรงนี้ไ อ, อย้ยางงั้นก็ไม่เอานะนี่หนึ่งสองบางคนไปไปเป็นหนี้เขาไปกู้เงินหน่อยเธอขอกู้หน่อยเธอะจะเอามาทําตลาดอริยะ บารไปกู้เงินเขามาทําทานใครสอนนะธรรมมาไม่เคยสอนอย่างนั้นเลยไปกู้เงินเขามาทําทานกู้ใครไม่กู้ไปกู้ก อ, อมทรัพย์นะมากู้ขอกู้เงินออมทรัพย์จะไปมาครัมตลาดอริยะนะกู้เงินก่อ น, อนเถอะแล้วก็ขอผ่อนหาให้ทีหลังใจมันใหญ่อะไรขนาดนั้น ไม่เอาอย่างนี้ไม่เอานัยยะอย่างนี้ไม่ทํามีเท่าไรเท่านั้นแม้แต่อัตมาพูดไปแล้วตามข้อที่หนึ่งแหมตั้งตนหาเงินแล้วโลบโลภโลภเก็บกดโกยกักตุนสะสมแล้วเพื่อที่จะมาออกเอาหน้าตอนนี้มาออกลานโอ้โหไม่เอาทําตามทำไปให้สละไปมันเหลือเท่าไร่มันได้เท่าไรมันมีเท่าไรคนที่มีมีอยู่มันมีบารมีของคนคนที่มีมีม่มีอ่าปลายปีมีคนมาให้ก็เอาไม่มีก็ช่างมีเท่าไหรก็เท่านั้นของเราเองรวมกัน ไม่มีอะไรก็หลายคนรวมกลุ่มกันปีนี้มีคนตั้งใจเสียสละกกันคนละหลายหมื่นคนละเป็นแสนคนละหลายแสนสักวันหนึ่งคงจะมีตั้งใจของตัวเองเลยคนมีเงินเยอะๆเอาละปีนี้งานปีใหม่นี้กําไรอริยะสักล้านหรือหลายล้านขึ้นมาคงจะมีสักปีหนึ่งที่เข้าใจคนที่มีเงินอย่างนั้นเขามีคนมีเงินอยู่มีคุณมีบุญบารมีที่จะเข้ามารวมมีอะไรมีไปตามลําดับ จะมีตอนนี้ก็ถึงปีนี้เนี่เห็นชัดเจนมีคนกล้าสละเป็นแส น, นหน่วยแสนได้แล้วหลายแสนมีนพยะะัญชนะบางรานนี่หลายแสนบางรานหลายแสนอย่างพลังบุญนี่ตั้งเป้าไว้เขามีเงินกองบุญของเขาเนี่ยอาตมาร่วมรู้ด้วยเพราะว่าอาตมาประชุมด้วยเขาตั้งไว้สมแสนเอามาจากกองบุญกองบุญนิยมนี่มันหักได้ทันทีส่วนของเงินของบริษัทนั้นเขาก็สามารถที่จะเอาเงินของบริษัทมาขายเซลล์หักบัญชี เพราะเขาไม่ได้ทําขาดทุนในแต่ละปีแม้เอาไปหักจะขาดทุนเอาเงินนั้นมาทําเซลล์นี่ได้ก็หักยอดนี่ไปร่วมเกินส0 0 0สนได้เพราะฉะนั้นพลังบุญเขากะไวย้ยางต่ำสา 0,000 ขึ้นจะ4ี่แ0 0ห0าแสนเขาก็ทําได้นะพลังบุญเพราะว่าเขาบอกแล้วว่าขาดทุนของบริษัทอีกไปอีกแสนแส0 0 0 0นอะไรเขาก็ทําได้เพราะฉะนั้นนี่เขาตั้งเป้าไว้อย่างนี้เป็นต้น ร้านอื่นก็มีเป็นแสนๆเป็นหมื่นๆกน แ, แล้วแต่แต่ไม่ยุให้มาทรมานตนเอง ร, เรีดเนื้อถือหนังอะไรตัวเองจนเกินการไม่ ท, มทำแต่มันจะมีขึ้นมาอย่างนี้แหละปีนี้เรียบร้อยขึ้นเยอะเลยทุกๆปีนี่มันจำนวนให้คนอื่นเข้ามาแสบเลยปีนี้เราจะกำหนดเลยว่าไม่เอาคนนอกมาขายเพราะคนนอกบอกโกงๆว่าเราไม่เชื่อใจว่าจะมากล้าเสียสละขาดทุนไม่เชื่อ ขนาดพวกเราเองยังแท้ๆยังทำเป็นอดไม่ได้เพราะเห็นคนมาเยอะเอาเงินหน่อยรู้ว่าฉ็จแล้วอ้างอะไรหมได้มาไม่เอาหรอกจะเอามาถวายพ่อท่านนะอ้างจะเอามาถวายพ่อท่านอยากไปรีดจากเขามาถวายอาตมาไม่ต้องไปรีดเขานี่เรามาเสียสลัดทั้งหมดนะอาตมาไม่เป็นไรหรอกนะไม่มีก็ไม่เป็นไรทำกันไปเต่าที่มันมีใครมีก็เขามาทาบุญก็มีเองก็ว่ากันไปตามบุญบารมีนะ นี่ก็ขอย้ำขอบอกในเรื่องอของตลาดอริยะก็ขอต่อตลาดอริยะอีกนิดหนึ่งว่าตลาดอริยะนี้จะเป็นบุญยาวุธเป็นบุญยาวุธเรียกว่าอาวุธบุญอาวุธบุญอาตมาเอามังสวิรัติออกมาทาเป็นบุญยาวุธหมายเลขนึงทุกวันนี้เรื่องมังสวิรัตไม่ต้องพูดแล้วสบายลนะนะ ไม่มีใครมาบ่าวบ่าวมาเถียงไม่เคารพของเร า, ราก็แย่งแย่งย้อนแซวแซวไปอย่างนั้นแหละเพราะว่าเขาเข้าใจรับแพร่หลายกันแล้วเพราะงั้นก็อันนั้นก็ใช้ได้ผลแล้บุญญาวุฒิหมายเลขสองอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องการค้าการขายในเมืองอุบลนี่เขาบอกว่าเขาไปเที่ยวงานกาชาติแตม่มาซื้อของงานราชธานีอ่า เขาไปเที่ยวงานกาชาดแต่มาซื้อของงานราชธานีนะเขาว่างั้นแล้วก็มีอีกข้อมูลหนึ่งเขาบอกว่าเศรษฐกิจของเขาเขาขายเนี่ยขายของนเนี่ยแต่ก่อนเขาขายได้เป็นวันละแสนเดี๋ยวนี้ได้เป็นวันละหมื่นเขาขายของไม่ออกเลยเสร็จแล้วก็บอกเอ๊ะทำไมมันขายก็บอกเศรษฐกิจมันตกเออเศรษฐกิจมันตกขายของไม่ได้ สุดท้ายเขาเช็คไปเช็คมาปรากฏว่าไม่ใช่หรอกชาวบ้านเอาเงินไว้สำหรับซื้อของราชธานีก็เลยขายของทางสาหมันของเขาขายร้านสาหมันเขาขายไม่ออกเพราะเขาเก็บเงินไว้ซื้อของราชธานีงานราชธานีพวกคนจนเขาต้องสะสมเงินไว้นะเขาต้องเก็บเงินไว้เขาจะไปซื้อสุรุ่ยสุรายเหมือนอย่างก่อนไม่ได้เศร ษ, ษฐกิจมันยิ่งแย่ด้วยเขาก็เลยต้องสงวนเงินไว้เอาไว้ซื้อของราชธานีนะจริงจรมันมีแนวลึก ของการค้าวิธีนี้ก็มีแนวลึกอาตมาหมดเวลาแล้วเลยเวลาแล้วด้วยหกโมงกว่าแล้วนะมันมีแนวลึกไว้ค่อยพูดกันในพรุ่งนี้ต่อก็ได้พรุ่งนี้บุรุณ น, นี้ค่อยต่ออีกนิดหน่อยไ ม, ไ, มไม่ทิ้งนิดหน่อยเลยต้องพอสมควรอาตมาจะเทศถึงเรื่องของกรรมกริยางานไอ้เรื่องลึกอาตมาก็นําไปแล้วพูดถึงหลักวิชาพูดถึงภาคปฏิบัติตัวแก่นแกนอาตมาก็พูดประมาณ ต, ต้นๆแล้วก็พรุ่งนี้ก็ซอย ในแกนแกนพ่งนี้แล้วก็ในวงกว้างวงกว้างวันนี้มามาถึงเอาตอนปลายมือปลายเวลามันก็เลยไม่ได้พูดแนวระนาบแนวกว้างเอาไว้พรุ่งนี้นะเลยเวลาไปเดี๋ยวจะไม่ดีหรอกเด้วเกิดอกุศลจิตอาตมาไม่อยากให้แต่ละคนไม่ใช่อะไรนะอกุศลจิตตัวนั้นคือแช่งอาตมาบาปมากนะแช่งอาตมานะบาปมากนะอ่า พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าตาหนิพระอริยนิโรก16 1หกไอ้ 11, 11ุมนะตหนิพระอริยนี่อย่างนี้เป็นต้นนะไม่ใช่ธรรมธรรมดานะนาแล้วเชื่อเปล่าว่าอาตมาเป็นพระอริยแน่าอาตมาเป่าสมองหรือเปล่าเป่าหัวให้เชื่อืเปล่าฮะไม่เป่าเชื่อนะเอาละพูดไปก็ยาวๆโดนเสียเวลาปเดี๋ยวก็โดนแช่งจริงๆหรอกอ่ะเอวัง